ขอกราบขอรับพวกครูและมูสูงด้วยความเคารพอย่างสูงครับขอจเจริญธรรมทนึกดีพวกเราทุ ก, ท, กทุกฐานนะวันนี้เป็นวันเป็นวันสำคัญนะเป็นวันอาสาทาบูชาพวกนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาก็ ถือว่าปีนี้บรรดาศเหมือนกับเป็นปีพิเศษนะเป็นปีที่เราจัดงานฉลอง80ปีไม่มีแก่นะของพ่อครูก็ถือว่ามันมีสองชื่อให้เลือกนะแต่แต่ตมาตู้สึกกะชอบ80ปีไม่มีแก่มากกว่านะเพราะว่ามันโดยความหมายเนี่ยก็เป็นนัยย่าที่ว่ายังมียังมี มีเรื่องอะไรต้งลุ้นกันไปเรื่อยๆอย่างงั้นแหะนะถ้าชนะแล้วก็คือก็จบแล้วนะแต่แปดเจปีไม่มีแก่เนี่ยยงเห็นบทบาทของพวกครูที่มีบทบาทที่ดําเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งอันว่าก่อนจะมานี่ก็เดินทางไปไปหลายจังหวัดนะไปทั้งภาคใต้ภาคอีสานก็รู้สึกถ้าเทียบกับพวกเราแล้วเห็นจติธรรมโดย ท, ทั้งภาคใต้เนี่ย เห็นครับสงสารจริงๆเลยนะปีหนึ่งเขาจะได้พบตัวจริงสักครั้งหนึ่งเนี่ยสามวันไปอยู่ที่นั่นก็บอกโอ้โหทำไมมันแป๊บเดียวตอนนั้นเองปีต่อไปขอขยายเวลาเพิ่มขึ้นได้ไหมนะหรือถ้าขยายเวลาเพิ่มขึ้นไม่ได้ก็ขอให้มาสักสองครั้งก็ยังดีอะไรเงี้ยนะเขาก็พยายามต่อรองนะแต่เวลาของพวกครูนี่ก็ค่อนข้างที่จะมีจากัดมากไม่สามารถที่จะแบ่งแบ่งไปให้ได้เลยว่า เพิ่มวันก็ไม่ได้เพิ่มเที่ยวก็ไม่ได้นะเพราะว่าขนาดนี้ยังทำงานไม่ทันนะก็ในช่วงเข้าปัสษาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่นะทุกคนก็จะเป็นเขาเรียกอภิรักขิตาสมัยเป็นช่วงที่เราก็จะมาร่วมศึกษานะมาทำการพัฒนาทำการเจริญในอาทีศีลาทิต์จิต อธิปัญญาอย่างมีความตั้งใจนะที่อย่างน้อยอย่างสมณศิษย์มากเนี่ยก็จะต้องมีการอธิษฐานบรรษานะมีความตั้งใจที่จะอยู่ศึกษากันในช่วงสามเดือนเนี่ยก็จะมีข้อบำเพ็ญข้อประพฤติข้อปฏิบัติที่จะให้เกิดความเจริญในชีวิตของเรางั้นวันนี้ปีนี้เราจะมีสมณะมาอยู่ทั้งบทนะ ยี่บกรูปแล้วก็สิคมาสอีกเจ็ดนะถ้าจำไม่ผิดนะพูดไปแล้วก็เชื่อ้ปก็แน่ใจเหมือนกันก็ถ้าไม่ผิดนะงั้นวันนี้เราคงจะได้ลองฟังสัานาสิคมาสดูว่าท่านจะใข้อคิดอะไรในช่วงวันเข้ารรษามีข้อบําเพนอะไรที่คิดว่าน่าจะนำเสนอพวกเราว่าออลองมาถึก การศึกษาที่จะสมบูรณ์เนี่ยก็ต้องมีทั้งปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวศนะงั้นก็เราจะได้ฟังสัมมาติฏฐิธรรมที่จะมาอยู่ข้าวันษาบำเพ็ญบา ร, รมีกับพวกเราว่าท่านจะมีข้อดําลิข้อบำเพ็ญหรือข้อปฏิบัติอะไรกันบ้าง เราจะตำนาธิกธรรมจะใช้เวลากันท่านละสองนาทีนะแล้วก็ถ้าไม่พอก็ต่อได้อีกหนึ่งนาทีนะมีสัญญาณแล้ว้งรถไฟบอกเวลาอยู่ข้างหลังธิกนธะรรมะสติพรก่อนเลยใช่ไหมอันอันนี้แปลว่าเตรียมตัวเบรกได้แล้วนะถ้าสองทีนี่หมายความว่าถ้าถึงสถานีแล้วก็ต้องจอดเลยนะ อันนี้แปลว่าจอดสนิทได้นะกราบนำ้ำระสการพ่อท่านกราบนำ้ำพรสการท่านอุปชาท่านสมณะท่าพระบิกษุท่านสมณเณรพันเต ท, ทุกรูปค่ะขอเจริญธรรมชาวบุญนิยมทุกๆ ท, ท่านค่ะปีนปี้เป็นปีที่อบอุ่นเนาะ แล้วก็เป็นนิมิตหมายอันดีที่พวกเราจะได้มาบําเพ็ญร่วมกันที่ราชธานีอโศกบ้านราชเป็นราชธานีอโศกที่จริงก็ไม่ถ้าพวกเราผ่าน อ, อ, อะไรนะบ้านราชดําเดินมาแล้วนะ <c oughs> บ้านราชคงจะไม่ลําบากลาบนอะไรมากมายนะคะตอนนี้พวกเราก็อะไรมาอยู่ร่วมรวมกันต่างคนก็ต่างส่องส่องกิเลส ข, ของตัวเองเป็นหลักนะคะ สิกมาตก็จะตั้งใจค่จะรอบรัดและก็จะบําเพ็ญในสิ่งที่ตัวเองบกพร่องอยู่ อ, อย่างเช่นการจัดระเบียบในการขึ้นศาลาการมาฟังเทศฟังธรรมบางทีมาไม่ทันเวลาตัดรอบไม่ยอมตัดรอบบางทีคือจะให้เสร็จคือความไม่ได้ดังใจนั่นแหละค่ะก็จะพยายามค่ะเพราะ พูดถึงอ่ะมันเป็นเรื่องยากของสิกมหัเรื่องหนึ่งเหมือนกันในเรื่องของการตัดรอบในเรื่องของการงานแล้วก็มาร่วมมารวมกับหมูะคะ่ะตัวนี้ก็เป็นสิ่งสาคัญค่ะแล้วก็เราเวลาเดินไปตามทางแล้วก็ห้องน้ำถ้าเราเข้าห้องน้ำห้องไหนพยายามล้างล้างอย่างน้อยก็ล้างหน้าตักเราอะค่ะ เดินไปเจอเศษขยาเศษพลาสติกอะไรที่ควรช่วยในจิตสาธารณะในในเรื่องของส่วนกลางคือคนอื่นที่มาตามเราก็จะได้เบาลงค่ะธิกมาศก็ต้องใจจะจัดระเบียบตัวเองค่ะค่ะ<า>อนุโมทน า, ากับทุกๆคน<ม>ค่ะสาธุค่ะควาจริงก็ดีนะสิ่งที่ธิกมาศตั้งใจไว้เนี่ยอนุมาว่าจากพวกเราอยู่กันเนี่ยทุกคน มีความอย่างน้อยแค่ล้างห้องน้ําที่เราเข้านะคนละหนึ่งครั้งเนี่ยก่อนจะออกมาเลียวหลังนะไม่ต้องเลียวหลังแบบพุทธเจ้านะเลียลังนาะคาว่าโรคอะไรกันเนี่ยเลียลังดูว่าให้เราทําอะไรปล่อยนรกไว้หรือเปล่านะนรกคือเลอะเลเทอะเอนะเราควรจะเข้าไปแล้วออกมานะตอนเข้าไปเป็นนรกออกมาเป็นสวรรค์นะไม่ใช่ตอนเข้าไปเป็นสวรรค์ออกมาเป็นนรกนะ แสดงว่าเราปล่อยนรกทิ้งเอาไว้ถ้าทุกคนทำเพียงคนละวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นที่เราเข้าไปเนี่ยอาจจมาว่าห้องน้ำเราจะสะอาดนะตอนเดินทางมาเนี่ยพอดีรถแว๊มหนึ่งเขาเขียนบอกว่าปั๊มนี้สะอาดที่สุดในประเทศไทยนะพอท่านเราบอกเอออย่างนี้ค่อยสงกับฐานะนเราหน่อยอย่างเงีนนะปกติเขาไม่ได้พอแต่ด้แบบปั๊มเท่าไหร่นะพวกเราระบบไตแข็งแรง แต่ว่าวาดีลงปั๊มนี้นโฆษณาเลยว่าปั๊มนี้สะอาดที่สุดในประเทศไทยนะงั้นของเราก็จะบอกได้นะว่าห้องน้ําของเราเนี่ยสะอาดที่สุดนะวัดที่สะอาดที่สุดในพุทธฐานชาวโศมเนี่ยนะแต่ตอนนี้ยังเป็นแทบจะยังไม่ได้นะมาอยู่นักเรียนผู้ชายเนี่ยนะโอ้โหเข้าไปเนี่ยไม่ไม่ผิดหวังนะเคยคิดว่าจะไงก็ต้องเจออย่างนั้นนะเราเราเร า, เราคงจะปรับปรุงนะเข้าพรรษานี้ลองดู วันหลังต้องมีคณะกรรมการไปตรวจดูว่าห้องน้ําฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยใครจะสะอาดกว่ากันนะลองดูว่าเออนี่เป็นเนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจะเรียกว่าคัานทีบอกว่าบริการสิ่งแรกที่เราควรทําก่อนอื่นได้คือการขัดการบริการห้องน้ําเนี่ยทําห้องน้ําให้สะอาดเนี่ยเป็นสิ่งที่มาว่าน่าจะเป็นวัฒนธรรมเป็นวิญญาณของชาวอโศกเลยว่าเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ย ห้องน้ำที่นั่นต้องสะอาดนะคืองานเราทำหมดทุกอย่างเลยนะยกเว้นห้องน้ำไม่สะอาดเนี่ยมันบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของคนในนั้นจริงๆเลยต่อไปเทคามาตร์ปรองธ ร, รนะอาตมาคอมพิวเตอร์คัชชักรวนๆแล้วนะ <laughs> <laughs> อยู่ในกาญันานาตอนนึกไม่ได้ขออาภายัยนิ ม, มนต์ยาสกัขโ เรียนตามทุกคนค่ะก็ท่านอุปจาให้เก็บความรกนะคะทั้งรกทั้งนอกทั้งเรื่องรกรกในหัวใจด้วยวันนี้ทํางานกับเด็กๆนะคะเด็กๆสามมาสิกขาของชาวอโศคนี่แหละเขาเปิดใจเขาบอกว่าเด็กๆนักเรียนบ้าลาดนะขี้ดื้อพอไปถามว่าขี้ดื้อเรื่องอะไรอ่ะก็งานมันเยอะนะคะไปตามภาษาเด็กนั่นแหละ งานมันเยอะแล้วก็ขี้ดือ้อไปตามเรื่องตามภาษาเด็กเด็กนักเรียนของชาวอโศกนี่นะคะสามารถอ่านใจตัวเองได้แล้วก็ยอมรับเดินนะว่าตัวเองขี้ดือ้อไม่มีปกปิดด้วยเออบางทีบางทีเราเมื่อเคยเจอเด็กๆบางทีเราบอกเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะเด็กข้างนอกนะคะก็บอกเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เด็กนักเรียนนี่เป็นนักเรียนมีสีนี่ยนะอ่านใจตัวเองเป็นก็น่าประทับใจ สังคมข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่น่ากลัวนะช่วงนี้นี่มีข่าวที่เด็กเดที่มีข่าวที่เด็กเด็กหญิงคนหนึ่งอ่ะที่ถูกโยนออกนอกรถไฟนะ่ะนักเรียนคงจะได้อ่านข่าวนะหนังสือพิมพ์ที่ห้องสมุดมีอยู่ฟังแล้วก็น่ากลัวเพราะว่าคนที่นักนักศึกษาของเราเนี่ยชาวาโสกเนี่ยที่มาได้รู้จักชาวาโสกได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ย แต่จริงๆนะไม่อยากให้ออกหลุดล่วงออกไปเลยเพราะกรรมวิบากมันมีเยอะอะเราไม่อยากไปเพิ่มกรรมเพิ่มวิบากอะไรลงมาช่วยกระลดกรรมลบวิบากอย่าให้สายใยสายป่านของพระโพธิสัตว์เอื้อมไปไม่ถึงอย่าตกออกไปข้างนอกเลยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเพราะครูบอกเมื่อเช้าว่ารุ่นฉันท้านะ่ะเรามาฉันท้าด้วยกันสิ่งมากก็สมัครเป็นนันกเรียนด้วยคนหนึ่งนะมีอะไรก็ ช่วยแนะนำติงเตือนด้วยนะคะเราเราก็ไปด้วยกันน ะ, จะเจริญธรรมครับสาธุยังน้นเดี๋ยวให้สิกมาเป็นหัวหน้าชั้นเลยนะต่อไปสิกมาแสงฝนออนะครับก็ในมุนขอโอกาสทุกสักการพ่อท่านอุปชาและก็สมณนะพันเตสิกมามทุกรูกหาอุโสด้วย เจริญธรรมญาธรรมทุกท่านและเด็กๆทุกคนคะ่ะ<า>รู้สึกว่าวันนี้อบอุ่นมากเลยในบ้านลาดสมาชิกเพิ่มคนที่ไม่เคยเห็นก็มานะคะตั้งนานแล้วนะญาธรรมหลายท่านที่ไม่เคยมาก็ได้มาก็รู้สึกว่าบ้านลาดมีบุญหรือว่าทุกคนที่มานี่มีบุญก็คิดว่าบุญทั้งคู่นะคะทำให้สิ่งแวดล้อมในบ้านลาดนี้อบอุ่นยิ่งขึ้น มีสมาชิกเพิ่มขึ้นซึ่งพ่อท่านเคยบอกว่าอยากได้สักพันคนใกล้แล้วนะคะเกินห้าร้อยแล้วเกินห 50, ้าร้อยห้าสิบห้าสิบห้าสหกสเปอร์เ็นแล้วนะคะก็คือถ้าถ้าพันเมื่อไหร่คิดว่าโอ้โหคงจะไปไกลเลยค่ะสังคมตอนยุคพันธมิตรเราก็เรียกว่ามาเป็นพันแล้วพอพันธมิตรไง oh, ตรแต่ตอนนี้ แต่ตอนนี้ยกมวลมหาประชาช น, านใช่ค่ะโอ้แล้วว่าเรียกว่าบ้านละอาหรือว่าชาวอโศกนี่ทันสมัยมากเลยนะคะที่เราเรียกว่าเมื่อไม่มีตรงนู้นเราก็มาตง้งมีตรงนี้ได้ใช่ไหมฮะงานครั้งนี้ที่ว่าพ่อท่านเนี่ยลงทุนมากเลยนะคะแปดสิปีแล้วนะคะไม่มีแก่จริงๆ จ, จะสอนให้เราทุกวันเลยอย่างเนี้ยคะ่ะแล้วก็ธรรมะตอนนี้เข้มข้นนะคะบุญและบาปแล้วมันชัดเจนมากเลยคราวนี้ถือพ่อถือผู้สึกว่า มันไม่ต้องแปลเท่าไหร่แล้วเมื่อก่อนนี้จะต้องเงี้ยหูฟังอะไรนะอะไรนะแต่ตอนนี้สึกว่าฟังแล้วสว่างแต่ทาได้หรือเปล่าเท่านั้นเองะนะอยู่ที่ว่าจะทําทได้หรือไม่ได้ตรงนี้เท่านั้นเองค่ะงั้นเรามารวมกลุ่มกันเนี่ยมันจะมีพลังของการสามาคัคคีพ่อสิกขามานะคะพ่อตัวเองอ่ะอดบุหรี่ไม่ได้ขอให้บอกว่าเลิกหน่อยเถอะมันไม่ไดีในบุหรี่นะคุณพ่อบอกว่าเรียกว่าเตี่ยนะคนจีนเตี่ยบอกจ้างล้านหนึ่งก็ไม่เลิก ล้านหนึ่งนะคะไม่เลิกขนาดโอ้โหสมัยก่อนนะคะร้านหนึ่งเยอะมากเดี๋ยวนี้นิดหน่อยแต่ทําไมเลิกได้เพเราะอะไรรู้ไหมคะพามาสารีอโศกเจอคนเป็นพันไม่สุบรีเตียเลิกได้เห็นไหมคะมีพลังจริงๆค่ะยังบอกว่าเตียหนูตกใจตกตกใจจริงๆว่าเตียจะเลิกได้ได้สิเขาเนี่ยมาเป็นพันคนเลยเขายังไม่สุบรีกันเลยเตียก็จะไม่ก็จะไม่สูบเหมือนกันเห็นไหมฮะงั้นขอให้เชื่อมั่นว่าสังคมดี ทำดีแล้วจะไปได้ดีนะคะแล้วขอฝากอีกนิดหนึ่งคืออายุยื น, นะคะ่ะถ้าใครอยากอายุยืนนะคะมีหข้อด้วยกันนะคะเหลืออีกหนึ่งนาทีนะคะหนึ่งให้มีสตินะคะรอบคอบแล้วก็ระระวัง 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสไม่ต้องซื้อนะคะยิ้มอย่างเดียวก็ได้แล้วนะคะอายุยืน สามมีความสุขอยู่เสมอก็คือไม่มีกิเลสนั่นเองนะคะถ้าใครจะมีความสุขก็ไม่มีกิเลสน่จะมีความสุขนะคะสี่หัวเราะนะหัวเราะง่ายนะพวกเราหัวเราะง่ายนะคะนะคะหรือยิ้มก็ได้ถ้าหัวเราะนานๆมากเดี๋ยวเขาว่าจะเป็นบ้านะคะก็ต้องบอนั่นหน่อยมองโลกในแง่ดีค่ะและก็สุดท้ายชอบเข้าสังคมทุกคนที่มาเนี่ยมาเข้าสังคมชาวโศกซึ่งเป็นมิตรดีสหายดีสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เจริญธรรมค่ะ พูดถึงเรื่องบุหรีเนี่ยเคยมีในห้างเขาเป็นชาวอินเดียนะเขามาทําบุญลูกเขาเป็นนายแพทย์แล้วก็ไปจมน้ําตายเขามาเจอสำนักสำนักเรารู้รู้แบื้องหลังเขาหน่อยหนึ่งพอในห้างเราหามาถวายเนี่ยสำนักเราก็บอกว่าในห้างติดบุหรีเนี่ยสำนักขอได้ไหมในห้างบอกว่าได้ครับ อาตมาเขกว่าเอ๊ะาำไมให้ง่ายจังเลยก็ถามว่าทาไมในห้างให้ง่ายจังเลยล่ะบอกว่าผมคิดว่าพระเนี่ยเหมือนเทวดานะนท่านขอผมต้องให้อาตมาก็ขอบ้างบอกงั้นอาตมาขอบ้างได้ไหมในห้างที่ทุกข์กับลูกที่เป็นหมอที่จนน้ําตายเนี่ยเนี่ยความเศร้าโศกเนี่ยทําบุญกับพระไม่ต้องไปทุกข์อีกได้ไหมโอวันนี้ให้ไม่ได้ค่ะวันนี้ให้ไม่ได้นะแต่บุรีเนี่ยให้ได้ง่ายมากเลยนะแต่ความ ลูกความเสียใจที่ลูกก็ไปพัดภาคจากไปเนี่ยบอกเนี่ยก็พูดถึงแบบเจโตนะอันไหนให้ได้เนี่ยเขาให้ทันทีเลยแต่ไหนให้ไม่ได้เนี่ยบอกว่าวันนี้ยังให้ไม่ได้ครับนะเพราะว่าก็ต้องมาศึกษาธรรมะต่อนะจริงๆมันก็ไม่ใช่จะความทุกข์อยู่างเงี้ยมันให้ไม่ใช่ได้ง่ายๆติดสมาธิปากแก้วคนนี้หมถ้นท่ากับข อ, อการ์าดค่เจริญธรรมเพื่อทุกคนนะคะ ค่ะอันดับแรกก็ยินดีต้อนรับนิสิตวิชารามนาวาบนนิยมทุกท่านนะคะอนุโมหนาสาธุด้วยจริงๆเลยค่ะไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีมามากขนาดนี้นะคะค่ะแล้วก็ที่ประทับต่อไปก็จะไม่นึกไม่ฝันอีกหรือเปล่าจะเลือตอนนี้หนึ่งหนึ่งสามนั่นรู้สึกตัวเลขดีมากเลยนะหนึ่งหนึ่งสามนะคะตดยที่ประทับใจนะคือว่าคือพวกเรามีความกระตือรือรน้นยิ้มแย้มแจ่มใส ตั้งแต่ตีห้ามันเรื่อยมาเลยน ะ, ะตีห้าหกแปดโมงครึ่งบ่ายโมงใช่ไหมคะแล้วก็มาตอนนี้อีกโอ้โหนั่งกันจนเมื่อยเลยแต่ก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสมีชีวิตชีวาซึ่งเป็นเป็นมือชาวพรให้ชื่อรุ่นแล้วใช่ไหมคะรุ่นฉันทะโอโหเหมาะสมมากเลยนะคะซึ่งตัวฉันทะนี่จะทาให้เราเป็นผู้ที่มีวินยัยถ้าถามว่าเราอ่อนวินัยไหมเวลามาฟังเทศฟังธรรมเรามาตรงเวลาไหมเราไม่ค่อยตรงคดีนัก็คนหนึ่งอ่ะนะคะ พ่อแท้ไปได้สักหน่อยหนึ่งแล้วนะคะบางทีก็หน่อยยาวๆหน่อยนะคะกยโ ก, ย, โกยกายโกยกายมาอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยคิดเออคือตอนนี้เราได้เชื่อรุ่นแล้วนะคะซิม่าก็ต้องขอเป็นอะไรนะคะขอห้องเขาห้องเรียนด้วยนะคะค่ะคือในเมื่อเรามีเชื่อรุ่นมาจึางเป็นฉันทานอ่านี้ก็ต้องฝึกเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลาด้วยอันนี้ซิม่าจะฝึกด้วยนะคะเพราะว่าอะไรคือนึกถึงว่าถ้าเราได้ยินข่าวจากต่างประเทศหรือประเทศญี่ปุ่นอย่างน้าเป็นคนที่มีวินัยมากเลยตรงต่อเวลาเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าจะ มีนัดอะไรก็จะไปก่อนเวลาอย่างน้อย15นาทีส่วนของเราส่วนมากก็จะมากจะไปชา้าใช่ไหมอย่าเวลาเราประชุมนัดกันบ่ายสองนะคะคุณครูบางทีก็สองครึ่งแล้วยังไม่มากันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเราฝึกมีสันท้านดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เพิ่มการตรงต่อเวลามากขึ้นนี่มันก็จะเป็นคนทําให้เรานี่เป็นคนผู้ที่มีวินัยด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะฝึกฝนในภรษานี้ยท่าเรื่องของการตรงต่อเวลานะคะแล้วก็เรื่องของ การมีฉันทาฉันทาที่จะมาฟังธรรมแล้วก็ฉันท้ในเรื่องของการทำงานเรียกว่าคือทำอะไรก็ให้ใจยินดีนะคะยิ้มแย้มที่มาแสียงฝนบอกเมื่อกี้นี้กี่ข้อนมีทั้งหลายค้อนหกข้อนนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสกระตือร้อนมีชีวิตชีวาสังเกตดูพ่อท่านท่านมีฉันทาไหมคะโอ้โหคือกระฉับกระเฉงมากเลยเดินยังกระหนุ่มนมเลยนะคะไม่นึกว่าจะแ80ดสิบนะคะ แต่พวกเราบางทีก็หมดแรงอย่างนี้นะ <g ül> <g ül> ก็เรียกว่าเห็นเห็นคือนึกถึงนึกถึงพ่อท่านแล้วรู้สึกอยากจะเป็นอย่างที่ท่านตามนะคือทําไมท่านท่านมีชีวิตชีวาได้ตลอดล่ะแล้วเราทําไมความมีชีวิตชีวาซึ่งอายุน้อยกว่าท่านนะมันหายไปไหนอะ่ะเรามาฝึกร่วมกันนะคะทีนก็จะฝึกด้วยค่ะค่ ะ, จะเจริญธรรมค่ะสาธุพราะท่านเคยบนน่นนะท่านบอกว่าท่านเทศกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ไม่กลัวไม่เหนื่อย แต่ว่ารู้สึกว่าสิ่งที่ทําให้พ่อท่านเหนื่อยนี่ก็คือได้เวลาแล้วไม่มีคนมาฟังเนี่ยนะลูกๆที่ถึงเวลาแล้วก็อ้าวยังไม่มีใครมาอีกเ น, น, นี่ยทำให้พ่อท่านเหนื่อยมากเลยนะแท้กี่ชั่วโมงไม่เหนื่อยนะยงนั้นพวกเราคงไม่เป็นลูกที่ทําให้พ่อท่านเหนื่อยนี่มนติกรรมาตั้งฟันใหม่กราบข้าวกาบท่านสมนาท่านสิกธุมารค่ะ จเจริญธรรมค่ะมวลมหาประชาชนลูกพระโพธิสัตว์ทุกๆคนค่ะทั้งลูกทั้งหลานนะคะทั้งเลนด้วยค่ะนะคะก็วันเข้าพรรษานี่ก็เหมือนเป็นวันที่รวมญาตินะคะเหมือนเป็นวันรวมญาติเหมือนกันแล้วก็เหมือนเป็นวันติดติดเบรกใช่ไหมติดเบรกชีวิตเหมือนกันนะคะเพราะว่า ได้ฟังจากหลายๆท่านเลยนะคะพอจะเข้าบรรษานี่ก็โจะตั้งตะบะไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เหมือนได้มาหยุดทบทวนตัวเองนะคะว่าตัวเองมีข้อบอกพร่องอะไรเราก็จะมาเริ่มต้นในวันเข้าบรรษานะคะเออมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเรามีจังหวะนะคะจังหวะที่จะหยุดเบรกมันเพื่อที่จะเริ่มต้นในสิ่งที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเราก็ว่ามันเป็นเรื่องที่ น่าประทับใจกับชาวพุทธนะคะที่มีวันเข้าพรรษาให้เราได้ได้ได้มีตะบะร่วมๆกันเนี่ยนะคะทําให้เราเกิดพลังใช่ไหมคะคือพอได้ฟังยติธรรมคนนั้นคนนี้อยากตั้งตบะนะเออตัวเองก็ต้องมาทบทวนตัวเองเหมือนกันน่ะนะคะว่าเออเราจะตั้งอะไรดีนะอันนี้มันก็เหมือนกับออมันเป็นช่วงเทศกาลการบํบราเพ็ญบารมีนะค่ะก็ก็รู้สึกว่าเออ อะไรอ่ะถึงเราคิดว่าเราก็ถือสินอยู่แล้วทําอะไรก็หนักอยู่แล้วเหนื่อยอยู่แล้วไม่ต้องตั้งหรอกนะแต่พอหาเข้าดีๆโอ้มันก็มีเหมือนกันนะสิ่งข้อบอกพล่องของเราใช่ไหมอย่างที่เมื่อกี้สิบม่านผาแก่บอกว่าเฮ้ยทําไมพ่อท่านอายุต้อง80ปีเออดูแข็งขันดูเหมือนเดินก็ไม่เหนื่อยเดินนั่งก็ไม่เหนื่อยทํำอะไรไม่เหนื่อยเราทํำอะไรมันเหนื่อยไปหมดเลยเอ๊มเป็นเพราะอะไรเนาะอายุก็น้อยกว่านะ พอสำรวจตัวเองอ๋อมันมั น, ม, นมันมีกิเลสเยอะกว่าไงอองานนี้เราต้องมาสำรวจตัวเองต้องมาลดกิเลสให้ได้นะคะอย่างเช่นความโลภใช่โลภอะไรโลภโลภอยากให้ได้งานเยอะๆจะเอาไอ้นี่ก็จะทำไอ้นั่นก็จะทำานะคือทำได้น้อยแต่กิเลสมากไงขีโลภนะคะเนี่ยต้องมาอ่านใจตัวเองต้องลดความโลภแล้วก็ความโกรธ ด, ด้วยนะโกรธอะไรพอมันไม่ได้ดั่งใจก็หดงดหยิดอย่างเงี้ย ก็แสดงออกบางครั้งก็แสดงออกทางกายบ้างไม่แสดงออกทางกายก็อยู่ในใจมันก็เหมือนกับโกรธก็พอทนได้โลภ ก, ก็พอทนได้มันก็อยู่กับมันอยู่เรื่อยใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็เลยจะต้องตั้งตะบะนะอะชวนพี่น้องด้วยก็ได้นะคะตั้งตะบะว่าจะพยายามอ่านภายในของตัวเองให้มากขึ้นให้รู้ความโลภที่อยู่ในใจความโกรธที่อยู่ในใจแล้วก็ลดมันให้ได้ก่อนที่มันจะแสดงตัวตนออกมาให้ปรากฏนะคะ ค่ะสิกมาตก็จะอค่ะจบเท่านี้ค่ะนวันศุกร์งานนี้ประกาศอย่าขาดกันเลยนะใช้ตํารวจบอกคูนบ่กกู้ไม่ทนกระเบิงอีกต่อไปแล้วองเงี้นะะคือเวลาโกรธขึ้นมาก็ต้องหาทางจัดการมันนะไม่ใช่โกรธขึ้นมาแล้วก็ทนทนกันไปนทนกันไปบันหลังมันก็ขึ้นมาบีบคอเราใหม่เราต้องหาทางจัดการมันก่อนก่อนที่มันจะ วันหลังมันจะมาบีบคอเรามีคนบอกว่าให้ตมาพูดเสียงดังอีกหน่อยเพราะว่าข้างหลังไม่ได้ยินนะีก็แรงของมีเท่านี้มั้งนะมันพูดดักได้ขนาดนี้จะพยายามนะท่านก็ช่วยช่วยปรับเสียงเดิวแล้วกันต่อไปติดคำว่ากล้าคาฝันนะขอาการค่ะจริยธรรมทุกท่านนะคะคนเสียงดังมาแล้วนะครับดังทำให้เบาทําไม่ได้ทําให้ดังทําได้ คือเมื่อสักครู่ที่มานี่นะะขอเวลานอกนิดหนึ่งนะคุณปะตรงเตือนชกยกป้ายให้ดูว่าคนลงทะเบียนอะ่ะหนึ่งส่หาหนึ่งหตกลงกันหนึ่งสห้าโอเคหรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่ตกลงแต่ไม่โอเคนะพรุ่งนี้กลับเหลือจะเลาวงวิงนะเดี๋ยวก็จะขอดูกันต่อไปนะแต่ก็เชื่อใจ<น>พวกเราคนดีสารก็บอกว่าโอเค แต่ไม่ตกลง <S <S <S อันนี้ <S <S เออสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอพูดก่อนสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะท่านฟ้าไทยอยากขอระฆังที่ฉัเออท่า น, ด, นด่วนดีแป๊บเดียวคะคือดีฉันเห็นพวกเรามาเยอะแล้วก็อยากจะทำอะไรให้เป็นรูปธรรมทักอย่างหนึ่งกับพร้อมๆกันนะฟัง อ, องค์นั้นขัดห้องน้ำแล้วก็คิดว่าอ๋อพวกเรามาเยอะเราจะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราแล้วจะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลง แผ่นดินพุทธแห่งนี้ที่ราชธานีนี้สักอย่างหนึ่งนะได้ข่าวว่าท่านก่อนเก้าเนี่ยท่านจะตั้งเต็นท์ใหญ่ให้ที่หน้าเวทีหลังจากนี้เนะี่ยท่านจะเริ่มอะไรนะฮะหลังจากวันเข้าพรรษาเดี๋ยวจะหาวันที่ว่างเนี่ยนัดนะฮนะนะทำความเข้าใจอะไรสักอย่างแล้วจะเก็บอะไรที่บัลลาดอะที่มันไม่สมควรอยู่ตรงนั้นตรงนี้เราจะไม่อยู่กับเมืองอุย uh, uh, yeah ุอะยะอีกแล้วนะฮะ <laughs> อ, อ, อ, อาศัยทุกคนเลยนะฮะทั้งคนเก่าคนใหม่เราจะทําเขาเรียกว่า ขยะวิทยาด้วยหัวใจจะทํางานชิ้นนี้ในสมเดือนนี้ด้วยหัวใจก่อนน้ําจะท่วมเนี่ยจะเก็บอะไรที่อุยอายะให้หมดนะคะแล้วค่อยกลับมาเก็บตัวที่ตัวเราก็เก็บอยู่แล้วแต่อันนี้เราจะอธิษฐานร่วมกันเนาะไม่งั้นมาทีไรก็บอกบ้าลาดอะไรก็ดีแต่เสียอย่างเดียวอุยอายะนะ <laughs> แปลเองนะแล้วเราทรัพย์สินเรามีมากนะหาเงินมาม า, มากมายแต่เรากองไว้บนดินเนี่ย หลายหมื่นหลายแสนเหล็กอะไรเยอะแยะนะเราจะทําความสมบูรณ์แบบมีระเบียบด้วยกันทําด้วยกันน ะ, ะที่จริงอยากให้ทําทุกคนหนึ่งได้พูดตรงนี้เพราะว่าถ้าทําคนหนึ่งมันจะต้องเป็นคนรับใช้หนึ่งคนใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราทำกันทุกคนเข้าใจกันทุกคนทําแล้วมันจะแล้วค่ะอันนี้นี่ไม่ใช่เรื่องดิฉันนะนี่จะพูดต่อไปเรื่องดิฉันนะก็อันนี้เรื่องส่วนรวมอันนี้เรื่องส่วนรวมนะท่านตียันก็ไม่นับนะคะ ตอนนี้เรื่องเรื่องนี้โอจริงๆเนี่ ย, ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะน้ำตาไหลเลยนะแต่เห็นยติธรรมเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดนี้นะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยน้ำตาไหลเลยแต่ตอนนี้เนี่ยศึกษาเรื่องสังขารรูปเปกขายานมาเยอะมันเลยไม่ไหลมันสังขารระวังใจเป็นเห็นการเปลี่ยนแปลงยติธรรมทั้งคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่มาใหม่เนี่ยเชิคิดว่างานของพ่อครูเนี่ยมันมีผลที่คน มันมีผลที่คนเปลี่ยนแปลงคนแล้วทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงคนมารวมกันคนมาเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยกันฉันก็มีพลังขึ้นมาเยอะเลยนะท่านเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ที่ฉันมีฉันทะในการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังต่อเนื่องก็เลยตั้งใจไว้ว่าจะพยายามทำศีลให้บริสุทธิ์อยู่กับปัจจุบันไม่วางแผนไม่อะไรมากอยู่บ้านลาดไม่วางอะไรมาก ช่วยช่วยงานก็พอคนหัวดีๆมีเยอะขอเพียงเรามีสติทําจิตให้มันสะอาดนะสะอาดสะอาดมากกว่าที่เคยสะอาดต้องรู้ความสกปรกของตัวเองแล้วจะทําสะอาดถูกแล้วก็ทําทุกๆปัจจุบันเพราะทุกปัจจุบันคือวิญญาณของสัตว์วิญญาณของกิเลสที่แท้จริงถ้าเลยไปแล้วมันคือสัญญาโอ้ยแต่ได้โอ้ยแต่ได้มันเสียเวลาค่ะนักวทศการค่ะ ใครที่คิดว่ามาอยู่บ้านลานเราอยากจะมีความสุขเนี่ยต้องวางแผนต้องช่วยกันวางแผนคือมีแผนเราต้องวางซะถ้าถ้าไม่รู้จักวางแผนแล้วนี่ธรรมชาติจะลงโทษนะพระอยู่ที่นี่ธรรมชาติเป็นใหญ่เงื่อนใครวางแผนไม่รู้จักวางแผนเนี่ราลองธรรมชาติจะเล่นงาน คอถ้มาว่าเราอยู่กันมา20่สิิปีเนี่ยจริงๆแล้วทุกวันนี้นะมันไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกแค่เห็นตาดูตากันกั น, กนลุแล้วจะต้องทํากันยังไงอย่างงั้นงานมันจะไม่มีปัญหาเลยเป็นเพียงแค่มาคุยกันหน่อยว่าจะเอาอยัางไงแล้วก็เดินหน้าไปเลยอย่างงั้นไม่ต้องจําเป็นต้องไปเสียเวลาวางแผนอะไรแล้วก็ถ้าอยู่บ้านล่าดแล้วเนี่ยวางไม่ได้หรอกธรรมชาติเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเราจําได้ไหมงานแปดสิปีวิชิตชัยอะ ่นะตมาวางวางแผนนั้นะมาก็วางเหมือนกันตอนนั้นนะว่าไฮไลท์ของเราเนี่ยต้องอยู่วันที่5กับวันที่9กนะ้เพราะว่างานเรามันยาวงั้นคนมาต้นงานก็ให้รู้ว่าไฮไลท์อยู่ที่หถ้าใครมาปลายงานไฮไลท์ก็อยู่วันที่9ปรากฏว่าไฮไลท์ของเราเนี่โอ้โหสุดยอดเลยวันที่หพอนั่งปุ๊บฟ้าถล่มมาทันทีเลยนะวันที่9ยังไม่ทันตีะระฆังเลยไปอีกตูมหนึง่งนะ ตกลงวางแผนเรียบร้อยนี่มลสิทธิมาติลิควากราบนมัรการพ่อท่านท่านสมณะและศิกขามาดค่ ะ, จะเจริญธรรมค่ะนักเรียนนิสิตโลกุตละโรงเรียนโลกุตละทุกท่านค่ะค่ะพ่อท่านตั้งโรงเรียนโลคุตละนะคะจะบอกว่าแห่งแรกของโลกแห่งแรกของโลกนะคะซึ่งเป็นความจริงเพราะว่า มันก็ไม่มีโรงเรียนไหนที่จะทํทำให้มนุษย์มีความสุขพ้นทุกข์ได้จริงไหมคะต่อให้จบด็อกเตอร์ไปทั้งสิบใบไม่ได้อะไรเลยยิ่งเพิ่มอัตราตัวตนยิ่งไม่รู้จักการเห็นใจผู้อื่นยิ่งไม่รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอยินดีกับนิสิตหลายๆท่านนะคะเป็นความเมตตาของพระโพธิสัตว์ที่หา กอุบายอุบายโกศลที่จะทำให้พวกเราเนี่ยที่ปฏิบัติธรรมมา10ปี20ปี30ปีนะคะได้มารวบรวมตัวเองกันสักทีหนึ่งนะคะว่านี่เนี่ยมาภาคสนามมารวมกันหัวกะทิทั้งหลายนะเก่งๆทั้งนั้นเนี่ยลองมารวมกันดูสิว่าปฏิบัติธรรมที่ได้ฟังพ่อท่านมาเยอะแยะมากมายนะ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะละอุปทานต่างๆในขันห้าได้ไหมอุปทานที่เรายึดไว้นะคะหลายๆอย่างง่ายๆเนี่ยละไปได้บ้างแล้วนะคะอุปทานเราก็ไม่ติดยึดผูกผันได้แล้วแต่นี้มารวมตัวณนะที่แห่งนี้นะคะเรียกว่าเป็นศูนย์รวมเลยพ่อท่านบอกว่าจะสร้างคนดีให้กับสังคมโหรู้สึกประทับใจมากนะคะเมื่อเช้าเนี่ย มันก็เลยรู้ว่าพ่อท่านเนี่ยตั้งใจจะสร้างมนุษย์มนุษย์ที่ดีอ่ะแต่มนุษย์ที่ดีนี่ชา้าติดแป้นกันเหลือเกินนะตอนนี้พ่อท่านไขาลานแล้วจะทํำยังไงดียยอ่ะวบบ อ, บอก็ไปแล้วอะไรก็แล้วนะคะอืมมหาลัยวังชีวิตก็แล้วตอนเนี้ยมาอะไรนะคะมอมอดอบอนะะ ว, ว อ, อบอนะครับ วิชารามนาวาบุญนิยมนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าพวกเราตั้งอกตั้งใจกันขนาดนี้เนี่ยก็คิดว่าเป้าหมายนะคะในวันอาสานหาบูชาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไปโปรดปัญจวัคคีย์นะคะัญญาโกณธัญะเป็นผู้ที่ดวงตาเห็นธรรมและในพรรานั้นทุกคนบรรลุอรหันต์เลยค่ะนิสิตยุคนี้ก็น่าจะมีอะไรดีๆนะคะในพรรานี้ค่ะ ขอจเจริญธรรม ท, ทุกท่านค่ะสาธุไ้ว่าจริงๆเพราะท่านพยายามมาหลายรอบเลยนะตั้งแต่มวชนะมวชก็แล้วนะแล้วก็วบบนะไอ้นี่วนบก็แล้ว <laughs> ถ้าวนบไม่ได้ก็จะเหลือมนบ มลนบัตรในชะ่นี่ก็ยังไม่ทําเดชเลยนะก็เหลือต้องแจกมลนบัตรอะไรวันนีนะ้อย่างนั้นพอทุกอย่างออกมาหมดแล้วนะเหลือใบตุดท้ายต่อไปเป็นสตำนาบ้างนะข อ, อนิมนต์ตำนาดวนดีนิมนต์ครับอ๋อท่านออกเบียงก่อนข อ, อนิมนต์ข่าวการท่านอุปชาอาจารย์เดชทุกครู จเจริญธรรมติกมาญาติโยมและเด็กๆทุกคนโอ้โหเต้นๆ เ, เนาะมีคนเยอะมากเลยนะอาตมานี่เ <c oughs> พิ่งย้ายมาอยู่ย้ายจากชายแดนพมา่าเนาะชายแดนพมา่พมาพม่านี่กาญจนบุรีเนาะก็ฟัง ภาษาพม่า ก, ก็ไม่รู้เรื่องเนะอยู่ไม่รู้เรื่องตอนนี้ย้ายมาอยู่ฝั่งติดกับประเทศอะไรนะโอ้ก็ฟังภาษาทางอีสานก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่เหมือนกันเนะนี่แสดงว่าเป็นคนไม่ค่อยเอาไหนอาตมาเนี่ยเป็นคนไม่เอาไหนเลยเนะถ้าเป็นคนเอาไหนนี่มันต้องศึกษาสิใช่ไหมภาษาไปอยู่ฟังพม่าติดพม่าก็ต้องรู้ใช่ไหม ภาษาพม่าบ้างมาติดฝังอสานนี่ก็ต้องรู้ภาษาพื้นเมืองบ้างนะแม่มันเป็นคนแมวไหนก็เลยเป็นแบบนี้นะ อ, อ, อธมามีอยู่วันหนึ่งนะจะเล่าให้ฟังว่าอยู่ที่ประโทโสกนะพ่อท่านก็ไปไประชุมไปไประชุมอะไรชุมชนเนาะ แล้วก็ค้างนี่นั่นคืนหนึ่งเช้าตีห้าท่านก็จะเดินทางกลับนะชาวโสก็ชาวปฐมปโสกก็ทําวัดกันก็เห็นพ่อท่านเดินมาชาวปฐมก็นมนพ่อท่านนะให้ อ, อวบานนะก็ชาวปฐมก็บอกว่าบอกกับพ่อท่านว่าขอกําลังใจนะ บอกพ่อท่านว่าขอกําลังใจจากพ่อท่านหน่อยหนึ่งพ่อท่านก็บอกว่าได้นะนยายญาติโยมบอกขอกำลังใจมันจะได้ไหมได้ไหมธรรมาไม่สลบทนะแต่พ่อท่านบอกว่าโอ้ไม่อยากกําลังใจนะไม่อยากญาติโยมบอกว่าอยากได้ตรงไหนะ่ะ มันจะได้ตรงไหนไม่เลยตอบได้ใจเนาะพ่อท่านบอกว่าก็ลดกิเลสสิอ่อใช่ไหมลดความโลภความโกรธเนาะลดความขี้โมโหลงโอ้โห و, มันจะเกิดกำลังใจมากเลยนะโอ้โห و, ง่ายนิดเดียวเนะแม่ตอนนั้นเราคิดไม่ออกไม่รู้มันจะได้อย่างไงกำลังใจเนาะชาวะถมยังงงเลยเอจะเกิดได้อย่างไงกำลังใจอ๋อ พ่อท่านบอกไม่ยากลดความขี้มโมโหลงโอ้ได้กำลังใจเนาะลดความขี้รอบลงโอ้โหได้กำลังใจเนาะเอาก็ฝากไว้แค่นี้สาธุอันีบท่านดูดีครบขอการุปชา บ, บรรเทาโศตุโรกครับเอาขอขอจเจริญธรรมพวกเราทุกทุกคนคงจะทุกทุกคนเนาะ ยังไม่เป็นพระอาหารคงจะทุกทุกคนก็ฟังสิกขมาตรก้าวามฟันแล้วก็อาตมาก็นึกถึงตอนอาตมามาบรรดาศใหม่ใหมอาตมาก็สายสายประหยัดเลยนะสายขิ้เหนียวคนจะเป็นเท่าแก่ได้เนี่ยมันต้องประหยัดน ะ, ะไม่ประหยัดเป็นเท่าแก่ไม่ได้มาบรรดาศใหม่ใหมโอ้โยนะ อันนั้นก็มยุมยากอันนี้ก็มัยุมยายโอ้โหมีแต่ราคามีแต่เงินทั้งนั้นเลยกองเต็มไปหมดเลยพอเราจะเก็บขายบ้างเอาเก็บขายนขนาดขายไปแล้วยังไปซื้อกลับเมื่อคืนโอ้โหนน่าจะขายไปบ้างว่างั้นนะนะอะไรมันก็จะทำใจไม่ค่อยได้กับของข้าวของที่มันเสียหายเออแล้วพ่อครูก็สอนบอกประหยัดประหยัดใช่ไหมมัดประหยัดทำไมมันทิ้งเยอะจังเลย ถ, ถ้าวางแผนอย่างที่อุปชาว่าก็รับรองเลยวางวางแผนไว้รับรองอยู่บราราดไม่ไดนะ้ต้องวางแผนอย่างที่ว่า ว, วางทิ้งให้หมด mm hmm. แต่ไม่ใช่เราไม่เอาภาระนะถ้าเราเข้าใจเรื่องเวทนาในเวทนาเนี่ยเราจะชัดเจนมากขึ้นการทำใจในใจเนี่ยนะถ้าเราก็ทำใจในใจที่จ ะ, ะไม่ติดไม่ยึดมันแต่ทำยังไงเราจะเอาภาระให้ได้มากที่สุดตรงนี้สำคัญมากเลยนะ แต่ถ้าเราไม่มีการทําใจในใจทําใจในใจไม่เป็นนะมันก็จะนั่นแหละติดกับดักตรงนี้แหละเอานั้นก็ทิ้งอันนี้ก็ขว้างอนนไม่เห็นจะประหยัดตรงไหนเลยใช่ไหมเสร็จแล้วก็ได้แต่บน่นได้แต่บน่นได้แต่บน่นเพราะว่ามันทําใจในใจไม่เป็นแล้วมันก็ทุกข์สุดท้ายก็เป็นไงขออภัยนะกูไม่ออกกับมึงแล้วโว้ยนะ <c oughs> ไปดีกว่าเห <c oughs> มือนกันน ะ, ะ <c oughs> นี่ก็คือเราก็พยายามที่จะนะเรียนรู้นะ ยิ่งอยู่นานมาใหม่ๆก็ของก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกอใช่พออยู่ไปอยู่ไปมันก็อะไรเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะอาจจะมาสังเกตตัวเองนะโอ้โหเดือนหนึ่งต้องเก็บผ้าซลงมาทีนึงขนาดไม่ค่อยเอาอะไรขึ้นไปเท่าไหร่นะมันรู้มันมาได้อย่างไงอันนี้ไปเจอหนังสืออันนี้ก็น่าอ่านเล่มนี้ก็น่าอ่า น, น, น, น, าอานพอเอาขึ้นไปแล้วสะสมเต็มเลยแต่ไม่ได้อ่านสักเล่มหรนะอกเพราะฉนั้นแต่ละคนแต่ละคนน่าจะมาว่าถ้าเก็บ เก็บของส่วนตัวแต่ละคนแต่ละคนมาเข้าส่วนกลางเนี่ยแล้วก็ทําให้เรียบร้อยนะก็ขอฝากตรงนี้แหละฝากที่อยู่ที่พักที่อาศัยถ้าเรารู้จะเก็บเรียบร้อยสะสางให้มันมีน้อยๆเออสบายนะใช่ไหมทิ้งภาระครอบครัวได้แล้วทิ้งภาระเงินทองได้แล้วทิ้งภาระญาตรบริวัตตังได้แล้วอะไรพวกนี้มันรู้สึกชีวิตมันเบามันง่ายใช่ไหมแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะแต่ก่อนออจะมาทําไม เดี๋ยวว่า่วงเต็มบ่อยต้องสูบช่วงมีเหนื่อยเราอีกอะใช่ไหมแต่มาฟังพ่อครูเนี่ยงานอะไรนะเมื่อกี้กางเต็นกางเต็นแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมเสียเงินเสียทองแต่หัวใจที่จะทาเพื่อผู้อื่นล่ะมันยิ่งใหญ่กว่านะโอ้โหฟังแล้วประทับใจใช่ไหมเราจะไปติดแต่วัตถุจริญธรรมคนมาอยู่วันนี่ จะมาเทวะต้องต้องเข้าใจเรื่องเรื่องหนึ่งนะถ้าใครไปภู้าผูผาฝาน้ำเนี่ยก่อนจะถึงภู้ผาฝาน้ำเขาจะมีเขาจะเรียกว่าเดินมาสจัน่นคือพอรถถึงตรงเนินเนี่ยให้ดับเครื่องเลยรถมันจะวิ่งขึ้นบนเนินเลยนะแล้วก็คนก็จะงงว่าทําไมทําไมรถ ด, ดับเครื่องเลยเนะี่ยมันทำไมทําไมมันถึงวิ่งขึ้นบนเนินได้โดยที่ มันมีแรงอะไรนะบางคนคิดว่าเป็นแรงแม่เหล็กแรงอะไรแต่จริงๆไม่ใช่นะมันเป็นคือจริงๆแล้วเนี่ยมันภาพรถมันกำลังจะลงลงเขาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตรงเขาเนี่ยมันอาจจะมีตุ่มขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าเวลาวิ่งจริงๆเนี่ยยังไงมันก็ต้องลงเพราะว่ามันเป็นทางลงก็น่าจะมีเนินขึ้นเนี่ยคือเรามันอยู่ใกล้ๆเราก็รู้สึกมันเป็นเนินขึ้นมาแต่จยิงภาพรวมเนี่ยมันกําลังลงทางลง งั้นถึงจะดับเครื่องหรือไม่ดับเครื่องเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องลงอยู่แล้วเพราะว่าทางมันกำลังกลังลงอยู่อันนี้เขาเรียกว่าเดินมาสัจัน์แต่ว่าเราไปอยู่ตรงเนินเนี่ยเราจะอ่านไม่ออกเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นภาพภาพระยะยาวเนี่ยมันมันจะดูไม่ออกว่ามันกำลังเป็นทางขาลงงั้นทางที่มันกำลังลงไปอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่มีเนินอยู่ยังไงยังไงรถมันก็ต้องวิ่งขึ้นได้ คราวนี้เรามาอยู่กันอย่างนี้เหมือนกันบางทีเราอาจจะสะดุดจุดเล็กจุดน้อยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยร้อยพ่อพันแม่นะบางคนบอกมีตั้งแต่พระรหัน์จนถึงคนบ้านะคือคนบ้าคนใกล้จะเพี้ยนอะไรนี้ด้วยกันบดอยู่รวมๆกันงั้นเกิดเราไปสะดุดคนใกล้จะเพี้ยนหรือไปสะดุดคนไม่ค่อยปกติคนขาดบ้างคนเกินบ้างอะไรเนี่ยก็เหมือนกับไม่เข้าใจเรื่องเดินมาสจารย์เนี่ยว่าจริงๆ อย่างอย่างอย่า ง, างเรื่องเปลียนเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องประหยัดเนี่ยอธิบาบางทีก็ถือว่ามันไม่ประหยัดนะชุมชนเรารูรั่วอยู่อีกเยอะเลยบางทีก็บ่นในพรท่านฟังเพราะท่านบอกว่าอืมพวกเรายังไงยังไงก็ประหยัดกว่าข้างนอกนั้นนะคือดูพิเนี่ยดูกันทั้งหลายร้อยคนใช้รถกรนะสาแล้วนพกคีกินข้าวกับครัวเดียวอย่างไงอย่างไงมันก็ประหยัดใช่ไหมถ้าร้อยร้อยบ้านแล้วก็ แต่ละบ้านก็มีแต่ละครัวแต่ละครัวแล้วก็แต่ละบ้านกับรถหลังละคันหลังละคันเนี่ยประหยัดยังไงมันก็ไม่ประหยัดของเราเนี่ยใช้รวมกันหมดเลยเนี่ยถึงไม่ประหยัดมันก็ประหยัดใช่ไหมเพราะว่ามันเนี่ยตายก็เมีนเดียวกันนะกินข้าวก็ลงครัวที่เดียวกันนะรถก็ใช้ด้วยกันยังไงยังไงล่วไายังไงมันก็ยังประหยัดอยู่ดี อันนี้คือต้องเข้าใจภาพรวมถ้าพวกเราไปถะด จ, จุดเล็กจุดน้อยเนี่ยต้องไปภูผาฟ้าน้ำไปขึ้นเนินบรรจารย์ดูนะ้วก็จะไม่สงสัยในภาพรวมของความเป็นอยู่ร่วมกั น, นต่อไปนิมนต์ท่านค้าฟ้าครับครับอกาสพอท่านอุปชาแลวก็ปันเตเพื่อนสมณาทุกุก ค, ครับเจริญธรรมสิกมาส ญาติโยมแล้วก็เด็กนักเรียนทุกคนพรรษานี้ถือว่าเป็นปรรษาพิเศษนะสำหรับอาตมา <c oughs> ที่พิเศษก็คือนะก็ได้มาจำปรรษาที่บ้านราชเมืองเรือที่ผ่านมาก็อยู่ปฐมสนะุโขตั้งแต่ปี36มนหะ ปีนี้ได้มาจำพรรษาที่บ้านราดแต่ก็ถือว่าเป็นปีพิเศษที่พวกเราได้มารวมตัวกันนะแต่ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะก็เมื่อกี้ท่านเพียงพอเขอยู่ปฐมโศกแล้วก็หลวงพ่อละมีรูปหนึ่งหลวงพ่อดินทนนะสมรูปแล้วก็มีนิสิตบนอบ อ, อีกสามคน ใช่ไหมปฐมประสค์สี่คนก็ถือว่านี่เป็นเพื่อนมาจากปฐมประสงค์อาตมาแรกแรกก็เอ๊มาอยู่บ้านราชที่จร enfin ิงอาตมามาก่อนพวกเราเองนะทมามาได้เกือบสามอาทิตย์แล้วเพราะรู้ว่าจะจํำภาษาเนี่ยทมาก็เคลียร์งานทางโน้นก็เดินทางมาก่อนก็แรกๆเอ๊จะมาทําอะไรดีนะที่บ้านราชเมืองเรือเนี้ย นะพวกเราเองก็าจะ ก, กังวลน น, ะนจะมาบ้านราชนีืจะมาทำอะไรนะพอมาถึงบ้านราช <c oughs> ก็กะว่าจะมาช่วยงานพอดี f อฟเอ็ TV, เขาก็ปิดใช่ไหนตอนนีออ้แต่ว่างานข้อมูลท่านใต้ดาวเนี่ยยังเยอะอยู่ก็กะว่าจะช่วยงานข้อมูลท่านใต้ดาวพอมาถึงท่านด่วนดีก็าถามพันเตสนใจงานจะทำอะไรนะพลังงานนะ ไบโอแก๊สจากหญ้าสนใจไหมถามท่านว่าแล้วต้องทำอะไรบ้างให้เป็นเจ้ากลมเลยโอ้บอกว่าโอ้ยไม่เอาหรอกเป็นเจ้ากลมเลเป็นหัวหน้างานต้องยึดตามหลักสิรกรามกาข้ามฝันใช่ไมว่าไม่ต้องเป็นหัวหน้าเราต้องเป็นลูกน้องก็บอกอเอาไว้ก่อนนะแล้วพอมา งานท่านใต้ดาวก็ไม่ยังไม่ได้ให้ยังไม่ยังไม่ได้ช่วยก็พอรงปุ๋ยใช่ไหมมีเขามาประกาศประกาศว่าขอแรงขึ้นปุ๋ยอาจารยมาก็ไปโรงปุ๋ยนะตั้งใจว่าจะมาช่วยงานท่านใต้ดาวแต่ว่าไปช่วยงานที่ลงปุ๋ยประจําเลยนะเวลามีประกาศนะก็รู้สึกว่างานเยอะนะที่เนแล้ววันสองวันนี้ไปเห็น ปันเตยถนอมกูลท่านทำเรือนะก็อยากจะมีเรือสักลำอยู่นเนียอยากจะมีแพสักลำสนใจอยู่ยาถามว่าทำยังไงบ้างภานะษานี่ไม่แน่นะเนี่ยอาจจะได้ทำแพนะทาแพใช้ทำเรือใช้ทำเรือนอนนะเพราะฉะนั้นคิดว่าพวกเราก็คงไม่ต้องกังวล น, นะนะว่ามาอยู่ที่บ้านราดเนี่ยจะไม่มีงานทำ <c oughs> ที่เนี่มีงานทำดังนั้นก็คิดว่าให้พวกเราสบายใจได้อยู่ที่ว่าจะทำยังไงเราจะมีฉันทะนะฉันทะให้สมกับเชื้อรุ่นของเราน ะ, จะเจริญธรรมสาธุทบุ ท, ท่านมือมันน้อมกราบครวะวพะัดเดในอวสุทุกรูปคับ นานเจริญธรรมศิขามาธและก็นักปฏิบัติธรรมทุกๆคนหนะนะลังจากเสร็จงานอาสกลำลึกแล้วอามาก็จากพระราษเป็นนานเหมือนกันนะตั้งแต่ไปงานของนักศึกษาผู้ประบัติธรรมที่คลองสนะิบสามพอมาถึงที่ประราษเม็นนานก็ ไประยองอีกนะไปเก็บมังคุดเก็บทุเรียนเก็บเงาะแล้วก็มีนักเรียนชั้นม .6 เนี่ยไปไปช่วยกันเก็บในปีนี้นี่มังคุดเงาะอะไรต่างๆเนี่ยอารมสมบูรณ์มากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นที่ระยองหรือที่วังจะนทึกษาไนะ เนี่ยมันจะพึกษาเนี่ยบอกให้นอ้อเรียนมหกไปเก็บอีกนะเราเก็บไม่ทันเพราะว่าแค่ที่ระยองที่เดียวเราก็เราก็เก็บไม่ไหวละนะพอดีที่ที่บางจันเนี่ยมีทีมของที่สาวโสงมาพอดีนะก็เลยฉเฉลี่ยราบกันไปนะนะเสร็จแล้วก็เดินทางไปที่วังน้ําเขียวนะก็รู้สึกประทับใจในภูมิปรเทศที่วังน้ําเขียวมากไลยทีเดียว ไปพักผ่อนที่นั่นซะสบายเลยนะอยู่ที่วังน้ำเขียวเนี่ยนะรับเต็มที่เลยนะพักผ่อนแล้วก็มาที่สีมาโศกร่วมงานก็มีสิทธิ์เก่าสีมาโศกมากันมากพอสมควรนะก็มีการพบปาพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจกันจากนั้นก็เดินทางกลับมาที่นี่อีกทีหนึ่งสิ่งหนึ่งที่มาเห็นว่ามันจะเป็น จุดตายของชาวโศกเราก็คือเรื่องความลงสมบูรณ์นี่แหละมันมีอาหารการกินเหลือเฟือนะงาะกินกันทั้งวันมะขุกินกันทั้งวันก็ไม่หมดทุเรียนมาถึงนี่ปุ๊บ ก, ก็กินปั๊บเลยอะไรแบบนี้มันมีความลงสมบูรณ์มากนะจนกระทั่งเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะยับยั้งตัวเองได้ไปซีมาโศกแล้วก็มีกระดาษบริจาคมาเนี่ยกระดาษ a อสีเนี่ยใหม่ๆเลยนะจะให้ที่บ้านเราไม่อั้นเลยเนี่ย อ่มามัเกรงว่ามันจะน้ำมันจะท่วมซะก่อนนะเนี่ยนะก็เลยมาแค่ประมาณหนึ่งเราไปที่นนวนก่อนก็นแล้วกันนะแล้วก็มีอะไรก็จะเอามาใช้อีกนะนะอ่มามันกลัวมันจะเฟอ้อนะมันจะนะใช้แบบสุริสุรายเนี่ยตรงนี้แหล ะ, ะและตรงนี้เนี่ยทำให้เราเองไม่สามารถที่จะประบัติธรรมเจริญได้นะเพราะเพาะเราเองไม่หายใจยากลดละกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าข้าบรรษานี่ยฮะว่าเราเราบังเกิด อ, อาหารก็ดีนะลดละนะ้ทานอาหารที่มันทอ้องพนะ่องอามาก็เริ่มมาแต่วันนี้ไปละอาหารท้องผ่องแล้วนะสตาร์ทเครื่องนะนะใครไม่เข้าบรรษายังไม่สตาร์ทเครื่องเนี่ยอามามันจะช้าเลยเนี่ยอามาเริ่มมาแต่วันนี้แล้วนะฉันอาหารแบบทอ้องผ่องอามาขอกราบพิธีนี้แหละตอนอยู่ทางภาคใต้ ไปที่ไหนก็เจอผลไม้เยอะนะทางภาคใต้เนี่ยเขาก็าเตรียมมังคุดเนี่ยโหใส่บาทคือมังคุดปีนี้มากจนพอท่านบอกโหดูน่าจะเป็นมังคุด แ, แล้วนะมีแต่ข้าวกับมังคุดมังคุดทางมังคุดทุเรียนอะไรเนี่ยมาวันน้ําเขียวก็ท่านมือบ้านก็ไปคนมาจากทางระยองอีกนะมาคนราชก็เยอะมาที่บัลลาดโหยิ่งหนักไปกว่าเก่าอีกนะงั้นไปมาเนี่ยพวกเรา แจะเป็นชนเผ่าที่อุดมสมบูรณ์นะจนถามคนดูแล ว, ว่ามีหนูมากวนบ้างหรือเปล่าบอกหนูไม่ควรหรอกเพราะมันไม่รู้จะกินยังไงแล้วนะถ้ามันมีน้อยตอนกลางคืนหนูจะมากวนนะแต่นี้มีมากกินกลางวันก็คงคงไม่ไหวแล้วที้เป็นความอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือแต่อย่างที่ท่านมือมั่นบอกแล้วว่าทังคมของเราถ้า ภายนอกเนี่ยพวกกลุ่มอย่างชื่อจี้พวกอะไรก็จะไม่เห็นเนี่ยเขจะรู้สึกเขาจะรู้สึกตำหนิเลยว่าพวกเรากินทิ้งกินขว้างกันนะว่าจริงๆยังไม่ที่ดี่น ๆ, ๆเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องความประหยัดวิ น, นัยประหยัดมัธยัติเขาจะไเห็นพวกเราเนี่ยโอ้โหกินทิ้งกินขว้างอีกเยอะนะงั้นช่วงขบรรสาก็จะเป็นข้อสังวรก็ดีไม่แน่นะตอนนี้ก็บอกว่าภาวะเอนนิโยภาวะความแห้งแล้งเนี่ย จ ะ, จะเริ่มเข้ามาครอบงำประเทศไทยแล้วจะมีทั้งท่วมทั้งแรงอยู่ในตัวกันเราฝึกชีวิตที่ประหยัดเรียบง่ายไว้ก่อนก็จะดีกว่าต่อไปฟังหลวงพ่อคุณของชาวอโศกบ้างนะหลวงพ่อคุณวัดบ้านไรนี่เขาข่าวหรือว่าท่านจะตายแล้วนะแต่หลวงพ่อคุณของเรานี่รู้สึกว่ามาเมื่อไหรก็ยังอยู่นะยั ง, ยง ามาเพืออะไรก็ยังอยู่แม้จะต้องรุนกันอยู่รุนกันอยู่ตลอดเวลาก็ตามนี่บนท่านแน้องคุณครับก็กัดขอท่านและหมุสมเจริญธรรมสีกามาตยานโยมทุกคนพรรษานี้อัตมาก็ขอและลึกถึงบันเตาโมทุกันโตเคยไปกับบันเตหลายรอบไปหลายรอบก็ประทับใจ ท, ทั้งที่ไปเหมือนกับคนโกรธมาสิบชาติเลยนะไม่ได้พูดไม่ได้พุยกันแต่ก็ไปด้วยกันพูดแต่ละคำก็ตัสายแต่คอกด้วยแต่ก็ไปได้เพราะมันรู้เรื่องกั น, นรู้เรื่องก็ไปสุสดเส้นทางแล้วก็ช่วงไอ้เตมุทุมาอยู่ที่ บันฑาดนี่ก็มามาบัณฑาต่จะมาพักที่แพรมาพักที่แพรติดของอัตมาบันเตจะไปก็ให้พรก่อนจากจำได้อยู่สองข้อที่บันเตให้ข้อที่หนึ่งก็ให้อยู่ให้เป็นพระสุขนะน้องคูนไปนะให้อยู่ให้เป็นพระสุขนะครับครับแต่มาก็นอนนอนรับนะไม่ได้ไม่ได้ลุกไหวอีกข้อหนึ่งก็ <c oughs> ไม่ต้องรักษามันลอกหลกอะปล่อยมันตายไปเลยอ <c oughs> <c oughs> ่อมาก็ทบทวนอยู่พอสองข้ออาจจะเป็นคำแนะนำบันเตก็ได้ก็ข้อที่หนึ่งก็อยู่ให้เป็นภาสุกนะถือว่าโอเคส่วนข้อที่สองนี้ลองเดาดูสิโอเคไ่ใหญ่สอน จนกว่าแพทย์และพยาบาลเขาไม่ยินดีก็ค่อยโอเคปกติธรรมดาไปกับพันเตนี่บางครั้งนี่มันลำบากแต่ก็ประทับใจน้ำฤทธิ์หนึ่งนี้กินสามผลทั้งหล áng, ังพาชนะด้วยทั้งกินด้วยหมวลเดียวจบแต่ละวันก็ไม่ได้สะสมอะไรไปตายอาดดับหน้า ไม่ต้องพกน้ําตอนแรกเราก็พกนะต่อไปก็เราก็เรียนอดทนอดได้เหมือนอูดมึงหละคนเรามันสามารถอดฝึกได้ไปนอนอยู่ระหว่างภูเขาบนจังหวัดระหว่างจังหวัดเลยกรับจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ก็4องศานะนอนคืนนั้นไม่หลับถึง10นาทีนะ นอนได้ระยะหนึ่งก็ต้องเดินพราเดินร่างกายมันจะอุดมันก็จะได้สั่งภูมิต้านทานขึ้นมาถ้านอนมันจะลำบากมันจะทรมานก็ประทับใจในความลำบากที่ไปทพันเตสาธุสาธุโ <laughs> อ้บุษบรับพรนะขออยู่ผาสุขนกะ็อันนี้เห็นในความไม่เที่ยงนะ คนให้พรไปก่อนคนได้รับพรยังอยู่นะมันมันไม่เที่ยงจริงๆเลยในโลกนี้นะนี่บนท่านแนขนเ้าต่อครับะจะเดินทามญาติโยมที่ตก่นอนะพรรษานี้ก็พรรษาที่กี่หลายแล้วที่ยี่สินะแตมานะ้วนะ21่บพรรษาแนละ้วก็ได้เห็นบันรเตท่านเคยตั้งกระบะนะ แต่ก่อนนันว่าผมจะในพรรษานี้จะตั้งเตะบะจะฉันข้าวเมื่อเดียวมานะเราก็มาเลาะนะเออทาเตะทาไมไม่ตั้งตะบะฉันข้าวเมื่อเดียวก็ฉันข้าวเมื่อเดียวอยู่แล้วพอมาถึงเราเนี่ยต้องเออใช่ละมันไม่ง่ายนะจะทันข้าวเมื่อเดียวเนี่ยนะทานข้าวเมื่อเดียวให้มันได้นี่มันใช่ง่ายๆนะบางทีมันป่วยมันไข้หรืม่อะไร ก็ต้องนะตรงบำเพ็ญนะเาามาก็เคยบำเพ็ญมาเนาะช่วงเข้าบรรษานี่จะตั้งอะไรดีนะเมาบวดนานแล้วมันก็อรหันต์รู้สึกว่ามันจะไกลห่างทุกทีนะโยมนะเคยไปทำงานกับคนอุดเชียงรายท่านท่านบำเพ็ญไปตะบะไปถึงไหนนนใกล้จะได้อรหันต์หรือยังวะ โอ้ยโยมยังไกลอยู่ว่าไม่อยากได้ไดเท่านหละอรหันเ น, น่ยถ้าได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ค่อยได้ทุกเสงเท่าไหร่โยมเขาบอกว่ามันจะยากอะไรท่านก็แค่ละโลบกดล ง, ง, งแค่โโนั้นเองสมตัวโอ้แมโยมเนี่ยนะสตัวแค่นี้เองนะก็จะพยายามฝึกอยู่นะสามตัวนี่ไหนที่โยมแนะนำเนื่อนา น, น, นะให้มันได้น ะ, อ, ะ อ, อ, นอาจารย์ธรรมสาธุ คจริงโยมเขารู้ก็น่าจะลักก่อนนะมาบอกธรรมะเนะี่ต่อไปในมนฑลท่านสาลุปโปแกนภาสาลุปโปนมณฑัน น, นี้ดังนะเนี่ยมากี้วางก็ดังขนะ้าข อ, ขอาการพอท่านอันเตอวัสโซตุ่ดุ ขอจเจริญธรรมพวกเราทุกคนก็มานั่งต่อหน้าคนเยอะๆอย่างนี้ก็รู้สึกว่าหาเรื่องจะพูดนี่ยากเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าถ้าจะพูดน่าจะพูดเรื่องที่เป็นสาระสัจจะที่แท้จริงคิดอย่างนั้นนะก็เลยนึกถึงคำคำพูดของเทวดาไปพูดต่อหน้าพระพุทธเจ้า เทวดาไปโพูดก็บอกว่าบรรดาสัตว์สองเท้ากษัตริย์ประเสริฐสุดว่างั้นบรรดาสัตว์สี่เท้าโคปริพัตประเสริฐสุดบรรดาบุตรบุตรที่เกิดก่อนประเสริฐสุดบรรดาภรรยาภรรยาที่เป็นกุมารีประเสริฐสุดนี่คือคํากล่าวของเทวดาพระพุทธเจ้าเลยกล่าวขึ้นว่าบรรดาสัตว์สองเท้าพระพุทธเจ้าประเสริฐสุด บรรดาสัตว์สีเท้าสัตว์อาชาในประเสริฐสุดบรรดาภรรยาภรรยาที่เชื่อฟังประเสริฐสุดบรรดาบุตรบุตรที่เชื่อฟังประเสริฐสุดอ่านี่คือสีตัวอย่างทนะี่จริงมีอีกหลายตัวอย่างอ่าที่พอเนื้อได้อย่างคําว่าแม้แต่บรรดาแสงสว่างอ่าพระอาทิตย์เป็นแสงสว่าง ที่ยอดเยี่ยมอะไรเนี่ยละ่ะจำสำนวนไม่ได้นะแต่พระเจ้าบอกว่าบรรดาแสงสว่างทั้งหลายปัญญาถือว่าเป็นแสงสว่างที่ยอดเยี่ยมบรรดาแหล่งน้ำทั้งหลายเทวดาก็บอกว่ามหาสมุทรเป็นแหล่งน้ำที่ยอดเยี่ยมแต่พระเจ้าบอกว่าฝนจักเป็นแหล่งน้ำอันยอดเยี่ยมอย่างนั้นเนี่ยก็ตมาก็มาช็ดอยู่หรือว่า บรรดานักปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมที่ยอดเยี่ยมน่าจะเป็นยังไงเนะาะน่าจะเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ตั้งใจลดละเกิเลสน่าจะยอดเยี่ยมเนะาะบรรดาพุทธสถานทั้งหลายพุทธานไหนยอดเยี่ยม <c oughs> <c oughs> ก็ยังหาไม่ได้เนาะแต่ก็เชื่อว่าคงจะน่าจะเป็นที่เราอยู่นั่นแหละยอดเยี่ยมที่สุดเราได้อยู่ที่ไหนก็ถือว่าที่นั่นยอดเยี่ยม ภาษานี่ก็ตั้งใจว่าจะหาสิ่งที่เป็นสารสัจจะหาความจริงให้ได้แล้วก็ทํำยังไงจะออกกําลังกายให้ได้ทุกวันนี่คือความตั้งใจในการเข้าภรษาขอจะเรียนทำทุกทุกคนสาธุมีคนตั้งคําถามเหมือนกันว่าใครเป็นสัมเนธที่ได้ชื่อว่าเป็นสัมเนที่ยอดเยี่ยม มีคน อ, อ๋อเหรอบอกพระลักษณ์ยที่พระไครท่านฉันทโสท่านฉันทโสได้ฉายาเป็นสมณะที่ยอดเยี่ยมเพราะท่านได้เยี่ยมญาติโยมมากที่สุดกว่าใครๆนะท่านได้เยี่ยนตั้งแต่ภาคใต้จกนกรทงถึงภาคอีสานนะเพ้อแป๊บเดียวเดี๋ยวท่านฉันเลยตรงนั้นไปตรงนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะไ ด, ได้รับฉายา ว, ว่าเป็นสมณะที่ยอดเยี่ยม แต่พุทเจ้าจะโอเคหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้รับรองนะตองให้ท่านแก่นผาที่ค้นมานะว่าทํานายอดเยี่ยมเป็นอย่างไรนม่มลท่านคงคิดต่อครับข อ, อกาสพันเตแล้วก็อาโศทุกลูปขอจเจริญธรรมผู้ที่มีไฟทุกคนนะเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้เห็นแต่ละคน รนแต่มีชันทะกันเนะมีไฟนะโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาเป็นเทศกาลที่ต้องบาเพ็ญตะบะนะมาตั้งแต่มาวัดมาสันติอโศกใหม่ๆก็เห็นเขาบเพ็ญตะบะกันช่วงเข้าพรรษาเนี่ยงตมาก็ตั้งเป็นจอมตั้งตะบะกับเขาเหมือนกันนะอยู่ในกลุ่มที่นิยมตะบะนะก็เลยคิดว่ามันมันเป็นฤดูการ ชาร์จแบตเตอรี่นะสมัยนี้ก็ส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์กันหมดนะเขบอกว่าถ้าแบตหมดนี่ก็ใช้ไม่ได้เลยต่อให้ยีย่ห้ออะไรดีที่สุดยี่ห้อที่ดีที่สุดในโลกแบตหมด <c oughs> ใช้การไม่ได้นะเพราะงั้นก็เทศการเข้าพรรษาเนี่ยเราก็มาชาร์จแบตกัน เ, เรียกว่ารวมพลังนะมากันเลยหลายคนเรียกว่าโดยเฉพาะปีนี้พรรษาเนี่ยพกุกคึกคักเป็นพิเศษนะ สิ่งแวดล้อมดีต้องคงสิงแวดล้อมดีก็เป็นเป็นสิ่งที่ช่วยชาร์จแบตอย่างหนึ่งนะให้เรามีไฟในแต่และเรื่องนะเป็นเรื่องที่สำคัญเลยแล้วจะพูดถึงเรื่องเรื่อ ง, งเทคโนโลยีสื่อสารเนี่ยอาตมา ก, ก็ติดตามนิดหน่อยว่าเขาบอกว่ารุ่นรุ่นเขาต้องอัปเกรดอยู่เรื่อยๆ ร, รุ่นที่มันไม่ตกรุ่นแล้วก็เพราะว่าเขาแข่งขันกันมากในโลกโลกไอทีนะแข่งโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนเนี่ยต้องแข่งรุ่นนะั้นรุ่นนี้รุ่นอะไรต่างๆแต่ที่ถ้าเปรียบนะเปรียบเหมือนกับคนบาราณเนี่ยต้องต้องเป็นรุ่นที่ความสามารถพิเศษเพราะว่าเครื่องส่งนี่อย่างแรงมากเลยถ้าเป็นโทรศัพท์ที่ว่าราคาที่แพงที่สุดเลยน ะ, ะคือพ่อท่านนี <c oughs> คือเครื่องส่งที่ร ะ, ระดับโลกุตระเรียกว่าโอ้โหเราต้อง อัปเกรดตัวเองให้ได้ถึงจะถึงจะรับได้ทั้งนั้นรับไม่ติดนะเราต้องอัปเกรดแล้วก็ต้องเป็นระบบที่เขาเรียกว่า HD มาอยู่วิสานนี่ต้อง H ฮดี D, นะเป็นระบบ H ฮดี D กันทั้งวัดเลยนะคือต้อง H ฮดี D หมายถึงว่ามีจอที่สามารถรับภาพที่ละเอียดได้ชัดเจนนะสัญญาณคลื่นที่มันละเอียดสามารถให้ภาพคมชัดได้เพราะว่าระดับ โลกุัตละเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะฟังเนี่ยมันก็เลยมันจะเข้าใจยากอันดมาก็เลยคิดว่าภรษานี้จะต้องเข้าร่วมฟังทำให้ได้ทุกครั้งถ้าติดธุระอะไรก็พยายามจะติดตามอ่าให้ได้นะคัจรต่อหนาทีให้เลยก็ได้นะเพราะว่าหมดแล้วนอะก <c oughs> จากฮ็ดดีแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยนะคนพากาคนภากาจะรับมุกไม่ทัน ระบบเฮ็ดดีเฮ็ดีภาษาอีสานแต่ภาษาอังกฤษเขาก็อะไรอ่ะให้เฮให้ให้อะไรเออนั่นแหละพวกเรารู้กันเยอะแล้วอาจมาไม่ค่อยมีความรู้ยังยังโง่ในเรื่องพวกนี้แต่รู้ภาษาอีสานเฮดีแปลว่าทําดีคือมาอยู่ภาคอีสานต้องทําความดีเฮ็ดีเฮดีคนที่มาจากภาคกลางภาคภาคใต้อาจจะงงนะว่า เฮดดีคืออะไรเฮดดีแปลว่าทำดีทำความดีนี่แหละคนดีฐางก็เรียกเฮดเการเฮดงานเฮดเวียกรเออระบบเฮดดี <ads> แต่ว่าทางานคือสามารถพิเศษกว่าระบบธรรมดาทั่วไปนะั่นเราก็ต้องอัปเกรดคือหมายถึงว่าปรับปรุงตัวเราให้มันทันสมัยทำไมงั้นมันจะตกรุ่นไงทุกวันนี้ก็ถ้าเป็นโทรศัพท์ก็เรียกว่าพวกตกรุ่นเนี่ยเยอะมากเขาบอกว่าจะเป็นขยะที่เป็น เป็นปัญหาระดับโลกนะปัญหาไอ้โทรศัพท์มันตกรุ่นเนี่ยไอ้รุ่นรุ่นที่มันตกรุ่นก็เป็นขยะไปเพราะว่าไอ้รุ่นรุ่นที่มาใหม่มันก็ถึงจะใช้งานเขาก็เปลี่ยนมาเรื่อยนัเพราะพวกเราเนี่ยเป็นเป็นพวกอย่างนั้นนะถ้าเราเปียบเป็นรุ่นนะไอ้เราย่นระยะมาเป็นรุ่นรุ่นปีสี่เก้ไปชุมนุมอะพวกไม่อัปเกรดเนี่ยตกรุ่นเงินไปเยอะเลย ที่จริงมันมีตั้งแต่รุ่นในพลังธทำก็ตกไปเยอะนะรุ่นพลังธทะตั้งพักพลังธทำก็ถ้าคนไม่อัปเกรดก็ตกรุ่นมารุ่นสุมนุมปี49ก็ถ้าไม่อัปเกรดก็ตกรุ่นตกล่วงนั่นแหละตกล่วงพอมามายกเลื่อนมาเรื่อยๆอะนะก็ยิ่งมายุคนี้นะโหถ้าถ้าไม่กอดติดสถานการณ์เนี่ยโอกาสที่จะตก ตกล่วงหลุดล่วงไปจากชาวโศกเนี่ยมีสูงมากเลยนะโดยเฉพาะอย่างอย่างสมณะเนี่ยถือว่าสำคัญเนถ้าไม่ถ้าไม่เกาะติดสถานการณ์ตามโยมไม่ทันเพราะว่าโยมเรียนระดับโอหัวธรรมามาฟังเมื่อวานเนี่ยเออขาเรียนแบบสถาปนิกวิศวะนะมีโครงสร้างมีแผนผังอะไรไปสู่แบบ เรียกว่ามีแบบแปลนมีอะไรนะถ้าเป็นสร้างตึกก็เรียกว่ามีแบบแปนทำไปตามแบบแปนจะเป็นมาตรฐานแต่ว่าถ้าทำสเปซ ส, สปะ ก, ก็เหมือนกับช่างที่ว่าต่อเติมไป ม, มาในตำนานอะไรทำต่อเติมไปเราไม่ได้ศึกษาก็โคตเลยตรงโน้นอนะ่ะไม่ได้ตอกเสาเข็มก่อนพอน้ำมาท่วมโคดเลยเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาไงแต่ว่ารุ่นนี้เขามาวางแผนถังดีนะถ้าเราเปรียบเหมือน ปฏิบัติธรรมกันเหมือนกันนะมันจะทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้ชัดเจนมีการตรวจสอบเราสามารถที่จะเผยแพ่สู่สากลได้นะข้างนอกสังคมเขายอมรับเราได้เราสามารถคุยกับเขาได้เรียกว่ามีมีประกาศนียบัตรมีสิ่งที่รองรับนะก็คิดว่าอรตมาก็พยายามจะอัปเกรดตัวเองให้มาเข้าร่วมกับพวกเรานี่แหละ ไม่งั้นก็ อ, อ้าอ้งงานอยู่เรื่อยนะมาไม่ค่อยมาฟังอะไรเท่าไหร่ประชุมก็ไม่เข้ามาแอบๆอยู่ข้างๆเนี่ยนะอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก <c oughs> ็คิดว่าจะพยายามผลักดันตัวเองคือเขาบอกว่ากระแสสนามแม่เหล็กเนี่ยนะพลังสนามแม่เหล็กมันจะทำให้เราเนี่ยเข้ากลุ่มแล้วทำพัฒนาตัวเองได้นะ ไม่ดีสหายดีสังคมถึงไว้ล้อมดีสําคัญน่มาก็คิดว่าสําหรับตัวเองก็จะที่ ท, ที่เรื่องบําเพ็ญส่วนตัวเนี่ยก็ก็ทำอยู่เรื่องกินอยู่หลับนอนเนี่ยเรื่องเรื่องอาหารการกินเคยปล่อยบางทีก็กินเหลือนะที่ว่ากินมื้อเดียวเนี่ยสมณะก็ไม่เหมือนญาติโยมนะเนาะต้องประมาณว่าตากักครั้งเดียวอย่างโยมเนี่ยต้องไปไม่ไม่อิ่มก็ลุกขึ้นไปตักอีกได้ไงสมณะไม่ไม่ได้นะต้องประมาณแล้วก็ มาใหม่ๆแล้วก็ฝึกฉันไม่เหลือที่พอดีพอดีแต่พอระยะหลังๆมาบางทีก็คือปล่อยปล่อยว่าเพราะว่ามันมีอาหารเยอะนะอารม์สมบูรณ์นะมันก็เหลือบ้างอะไรบ้างแต่ช่วงมาฟังทำเรื่องตั้งแต่งาน80ปีพ่อท่านมาจะมาก็ตั้งตะบากไม่กินอาหารไม่ให้เหลือแล้วให้ท้องค่อนข้างพ่องเนี่ยก็ทาค่อนข้างได้นะประมาณ80 ได้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะแต่ไม่ไม่เหลือสักวันหรอกแต่ที่ว่า80หมายไม้ถึงว่าบางทีมันอิ่มมากไปหน่อยไงนะก็พยายามจะให้ไม่ไม่อิ่มมากก็คิดว่าแต่ละคนคงจะอัปเกรดอัปเกรดตัวเองคือพัฒนาตัวเองให้ไม่ไม่ให้ตกล่วงไม่ให้ตกรุ่นเรียกว่าตามให้ทันก็นแล้วกันเกาติดถึงจะไม่ตกต่ำนะขอจะเจริญธรรมทุกคนรัสาธุ ท่านคมคิดสมชื่อคมคิดนะท่านเคยตอนเริ่มต้นทําบิหารที่นันเดียโศกมีแนวความคิดเยอ ะ, อะเลยบางคนจะออกเสาแบบนั้นออกแบบต้นเสาแบบนั้นแบบนี้อะไรเนี่ยท่านก็หาข้อยุติกันโดยที่ว่าใครจะขครอยากได้เสาแบบไหนให้ปั้นอดินมันปั้นขึ้นมาดูกันก่อนนะเรามาวางรวมกันเราทำมาดูด้วยกันเนี่ย เรามาเลือกกันว่าแบบไหนดีที่สุดนี่นี่คือวิธีการทำงานแบบคมคิดนะคือเอาความคิดของทุกคนมารวมกันแล้วก็มาช่วยกันเลือกเอาไว้ดีที่สุดนะนถ้าเอาแบบของชั้นอย่างเดียวนี่คนอื่นก็ไม่อยากร่วมทำงานด้วยใช่ไหมแต่ว่าเอาเลยใครอยากจะเอาแบบไหนออกแบบมาเลยแล้วมาเลือกเอาไว้ดีที่สุดนลักษณะของท่านคมคิดในมลท่านฟาไทยตอบ เจรธรรมยายมทุกคนถือว่าปีที่เข้าบรรษาปี2557นะถ้าใครมาเข้าพรรษาที่บรานลาศเดี๋ยวถือว่าเป็นสิ่งที่อะไรนะประเสริฐสาหรับชีวิตแต่ว่าไม่ชใช่ว่าที่อื่นไม่ดีนะแต่ถ้าเกิดเราอยู่ใกล้เข้าใกล้พระนะพระก็ไม่พระธรรมดาใช่ไหมพระโพธิสัตว์อะไรเงี้ย น, นะ ซึ่งถ้าเราจะลึกไปในทุกวันนี้ถ้าเราลึกถึงพระเจ้าเนี่ยเราก็ลึกไม่ออกใช่ไหมว่าหน้าตาทีท่าลีลา ย, ยัางไงใช่ไหมเราลึกไม่ได้เพราะว่าอาจจะเคยเจอมาแล้วแต่เราก็จําไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกก็มหาบุรุษสังสองประการนี่ก็วาดภาพออกมันก็อืมนี่มันก็วาดยากใช่ไหมมีมือยาวถึงเข่านะอะไรนะลิ้นเนี่ยแลบมาปิดหน้าได้หมดนะเด็กเขา บอกโอ้อะไรมาขนาดนั้นท่านเขาก็ไม่เชื่ออะไรเนี้ยนะลักษณะนั้นแต่ว่าตอนนี้เราได้พบพระโพริสัตว์เนี่ยระดับเจแต่ผู้เจ้าเนอริบาลามีระยังไม่ถึงนะสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็จําภาพไม่ได้ว่าเป็นคนอย่างไรนะเป็นบุคคลอย่างไรนะแต่เราพระโพริสัตว์ตรงนี้เราได้เห็นได้พบได้นั่งใกล้ได้ฟังธรรมเราไม่ต้องไปนิบนุญท่านไง คือปกติเนี่ยพระพุทธเจ้าเขาต้องนิมนต์ไปใช่ไหมไปเทศในนูน่นน น, น, น, นบนทีรถสวนกันเนี่ยวโอ้เถียงกันเลยระหวังอะไรอ๋อโสเพณีกับใครอะที่เถียงกันว่าใครจะนิมนต์พระพุทธเจ้าได้ก่อนเนี่ยขาต้องแย่งชิงกันเลยใช่ไหมนี่เราโอโ้ไม่ต้องแย่งชิงเลยพระโพธิสัตว์มานั่งคอยเลยมายังมายังอัตมาว่ามันคนละเรื่องอะไนะกับเขานิมนต์ว่าเขาแย่งพระพุทธเจ้าจะฟังกันพวกนี้มาลอ้อมมันมายัง ตอนไมเตติขากกบอกเลยสิ่งที่ท่านเหนื่อยที่สุดคือมารอญาดหยอยูอย่ฝั่งท่านอาตมาว่ามันโลกมันกลับกันเลยนะคือเราน่าจะ ค, าคิดมันหมดเวลบบาอย่างนี้ น, นะมันน่าจะคิดได้ว่าตรงนี้ว่าเราอยู่มาใกล้ท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะได้สร้างบุญให้กับชีวิตของเราอะนะซึ่งอาตมาคิดว่าคนที่ปฏิบัติธรรมนานเนี่ยเห็นหน้าต า, าตัวใหญ่ก็ปฏิธร ร, รมมนานอาตมาว่าตัวอา ต, ตมาก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเราจะประมาทในโทษ ภ, ภัยมีประมาทน้อย ตมาสังเกตตัวเองนะเราจะประมาทในโทษภัยประมาณน้อยที่เราทําผิดหรือว่าทําอนุรล้มกับตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่เก็บสิ่งที่เราทําไว้แล้วเราก็สุดท้ายมันก็สังสมเห็นญาติทําหลายคนแล้วแต่ที่ต้องตกล่วงไปอะไรเนี่ยเพราะประมาทในโทษภัยประยิประมาณน้อยนึกว่าไม่เป็นอะไรแต่สุดท้ายกิเลสมันก็ตบกั้มขมเมาเขานะไปหลายๆคนเนี่ยแม้แต่นักบวชก็แล้วแต่ซึ่งแตมาก็คิดว่าภาษานี้แตมาก็ต้องพยายามที่จะสังวรในเรื่อง โทษภัยมีประมาณน้อยที่ตัวเองบอกพร่องอยู่นะต้องพยายามแก้ไขตัวเองแล้วก็สังวรระวังให้มากขึ้นนะทำตัวเองให้บริสุทธิ์ในศีลมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าไม่งั้นเราก็ประมาทอยู่เนี่ยเราก็จะพัฒนาช้าหรือไม่พัฒนานะก็ไม่สามารถที่จะตามพ่อครูไปได้พ่อครูนี่ท่านโอ้รถเทอร์โบอยู่แล้วนะเราประเภทวิ่งตามไม่ทันยังไงวิ่งไงก็ไม่ทันนะให้วิ่งสุดชีวิตนะฝุ่นตลบนะยังไงก็ไม่ทันนะ เราก็ต้องพยายามเร่งรัดตัวเองในการสังวรตัวเองในสิ่งที่เราบกพร่องอยู่เสมอๆอย่าประมาทในโทษภัยมีปนานประมาณน้อยสิ่งที่ทําได้แล้วก็รักษาให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นสิ่งนี้คือธรรมาก็จะพยายามสังวรตัวเองแล้วก็หาเพื่อนด้วยนะคนเก่าๆทั้งหลายที่เห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยนะธรรมาว่าบกพร่องตัวเนี้ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยจะเป็นมากนะเราก็ไม่อยากให้คนของเราที่อยู่ด้วยกันเนี่ยพัดพรากจากกันไปในขณะที่ไม่ควรจะพลัดพรากคือยังไม่ตายเนี่ย ก็ต้องทําความดีด้วยกันไม่ใช่ไปตกตายไปกับความชั่วเนี่ยอาตมาว่ามันน่าเสียดายเราปฏิบัติธรรมกันมนานาเสียสละ ก, กันมานานแล้วเนี่ยมันน่าจะพากันไปสู่โรกุตุระชั้นสูงได้ไปด้วยกันได้นะก็อย่าประมาทสิ่งนี้เลยนะแล้วฟังหมู่กลุ่มมีขบวนการกลุ่มของนักศึกษาเนี่ยอาตมาว่าดีเราจะช่วยกันดูแลแล้วก็ดึงกันสู่ที่สูงได้โดยเพราะมีพ่อครูเป็นมิตรดีสายดีสังคมสิ่งแวดล้มอมดีกับเรานะ มีสมณะสิกมาศมียติธรรมเป็นคนที่ช่วยประคับประคองเราให้ไปถึงที่สูงเนี่ยอาตมาว่าเรามีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปสู่ที่สูงได้ถ้าเราขนควายที่จะไปกับเขาแต่ถ้าเราไม่ขนควายไม่ชนทะอาตมาว่าเราก็จะตกจากที่เดิมแล้วก็จะเศร้าหมองตัวเองเพราะฉะนั้นตอนนี้โอกาสดีทุกอย่างองค์ประกอบดีทุกอย่างแล้วสัพเพะทุกอย่างแล้วทั้งบุคคลสถานที่อาหารนะธรรมะ สี่อย่างสั ป, ปยะหมดเลยแล้วถ้าไม่ทำ <S <S <ค>ก็ตามสบายนะโยมน ะ, จะเจริญธรรม ท, ทุกคนอามาเคยฟังพวกเรานะที่อยู่บ้านลาดบอกว่าอยู่บ้านลาดยังงานเยอะมากเลยนะมันไม่มีถ้าไม่มีเวลาทุกอะเพราะว่ามันต้องออกไปช่วยกันทำงานมีเวลาทุกตอนเดียวในะนั้นคือตอนเข้าส้วมนะ ว่าตอนเข้าส่วมเนี่ยมันมันก็ไม่มีอะไรและไม่ก็กลับไปหาโลกส่วนตัวกลับไปหาทุกเรื่องครอบครัวเรื่องลูก เ, เรื่องเต้านะพอจากส่วมมาก็ตก้องการมาเจองานใหม่ก็ไม่มีเวลาทุกข์อีกนะนนแสดงว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมีทุกข์เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ากลับมาอยู่ในโลกส่วนตัวสังเกตดูได้เวลาแขกมาเนี่ยพวกเราจะยิ้มย้ําจับสายท้อนรับแขกนะ พอแขกกลับมาแล้วค่อยกลับมาลงในโลกของตัวเองอย่างเก่านั่นหมจะกลับมาทุกอย่างเก่าตอนไปใต้เนี่ยแต่มาไปเจอพี่สาวท่านดาวดินคุณติว๋วนะเขามีเด็กลูกกำพร้าเด็กเป็นกำพร้าบ้างเป็นโรคเอดส์บ้างเด็กปัญหาสารพัดเนะี่ยเขาเลี้ยงเด็กอยู่ร้อยกว่าคนทั้งที่ตัวเขาเองเนี่ยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะเราจะมาติดตามข่าวดูเนี่ย ถึงขั้นเดินไม่ไหวแล้วต้องต้องคนคอยช่วยประคองนะก็ดูว่าจะไปไม่ไปแห ล, แล้วละ่ะแต่ว่าอามาไปไปใต้เพลินไปยืนคุยเอามาไม่รู้จักหรอกไม่รู้ตัวจริงไม่รู้จักตัวจริงนะคุยไปทั้งนั้นทงรู้ว่าเป็นคุณติ๋วนะเอา้าคุณติ๋วมาอยู่นี่ได้ยังไงตอนนี้เขาเขาขึ้นมาแข็งแรงได้แล้วนะแล้วเขาเลอกไปหาหมอแล้วไปโรงพยาบาลนะ่ะ ถ้าไปแล้วหมอมีแต่บอกจะตายอย่างเดียวเลยเลยเขาคิดสู้ขึ้นมาแต่สิ่งหนึ่งที่เขาฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยส่วนหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาเห็นความทุกข์ทรมานของเด็กที่ยังมีปัญหาเยอะแยะเนี่ยมันทําให้เป็นพลังที่เขารู้สึกเขาต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อเด็กเหล่านี้นะเพราะท่านบอกว่าจิตวิญญาณที่เขาลุกขึ้นมาสู้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นเอนโดฟิล น, นะมันเป็นสารสุขที่ทําให้เขา มีพลังที่ขึ้นมาได้ทำนองเดียวกันจะมาคุยกับแม่ประนีที่เชียงใหม่คุยเมื่อไหร่แล้วก็ได้จับสัมผัสจิตวิญญาณที่เขามีปิติปิติที่ได้เลิกกินเนื้อสัตว์ได้ช่วยชีวิตสัตว์แล้วได้มาช่วยงานพระโพธิสัตว์นะเขาจะท่องแค่สองเรื่องนี้แหละเขาจะมีความสุขมากเลยนึกถึงชีวิตเขาที่ได้ช่วยชีวิตได้ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็ได้มา ได้มาช่วยงานพระโพธิสัตว์เนี่ยเขาจะมีปิติมีความสุขเราสัมผัสวิญญาณของคันมีความสุขได้กนรมะเร็งก็แม่ม่ยุ่งกับแม่ปานดีเลยนะอยู่มาจนกลๆจะแปดสิบแล้วหมอเขาบอกอีกหเดือนตายเนี่ยนะอยู่จนเลยเรียกว่ามะเร็งลืมไปเลยนะอันนี้แสดงว่าชีวิตของคนเราที่มีความคิดถึงผู้อื่นถึงคนอื่นเนี่ยชีวิตของเราก็จะมีความสุข แต่ถ้าเราอยู่กับโลกส่วนตัวเมื่อไหร่เนี่ยก็จะกลับไปทุกข์อย่างเก่านะอย่างนั้นเรามาเดินตามรอยพระโพธิสัตว์เนี่ยอัตมาว่าเราถ้าทบทวนเนี่ยเราก็จะบนน่นนะว่าโหยากลำบากอะไรเนี่ยนะแต่ถ้านึกถึงความมีคุณค่ามีประโยชน์มีสาร้านเนี่ยเราจะรู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าถ้าใครอ่านเราคิดอะไรเนี่ยอัตมาพยายามจะรวบรวมความคิดของ คาทีไอสไตล์แล้วก็ของพ่อท่านเนี่ยจะคือจะเห็นถึงแนวความคิดที่สอดคล้องกันนะมีความคิดที่มีแปลกับคนเกิดคนละยุ ค, คนละสมัยนะแต่มีแนวความคิดแนวข้อปฏิบัติอะไรเนี่ยใกล้เคียงกันนะแล้วแล้วถ้าดูประวัติอย่างไอสไตล์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหเขาเป็นคนดังระดับโลกเลยนะไปที่ไหนเนี่ยจะมีคน ชื่นชมชื่นชอบทั้งนี้ไอสตา์ก็บอกว่าคนที่มาฟังเขาพูดเนี่ยนี่ไม่รู้เรื่องหรอกทฤษฎีสัพพะภาพเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ยากมากเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ที่อาจมาอ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจเลยนะงั้นคนไปฟังไอสไตาล์โดยที่ไม่รู้เรื่องแต่รู้ว่าไอาสไตา์นี่ดังนะแต่อสตา์เขาก็เขาบอกว่าสุดท้ายไอยสตา์ก็บอกว่าไอสิ่งที่เขาทํามาเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อโลกเท่าไหร่เลยเพราะว่า มันไม่สามารถเปลี่ยนวิธีคิดไม่สามารถเปลี่ยนจิตใจมนุษย์ได้ถ้าเขารู้ว่าค้นพบทฤษฎีอแล้วก็ mc เนี่ย e. ถ้า ค, าค้ MC, าคนพบมาแล้วมนุษย์เป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเป็นช่างซ่อมนาฬิกายัางจะดีกว่าเขารู้สึกว่าที่จริงเาค้นพบปรัมมานูนี่มันสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างยกเว้นวิธีคิดของมนุษย์เขาบอกอย่างนั้นถ้าเขารู้อย่างนี้เขาเป็นช่างซ่อมนาฬิกาดีกว่าแต่ว่าคนจะทึ่งมากเลยนะในการได้ได้ พบได้ไปใกล้ชิดกับไอสไตล์สมัยโน้นยุคโน้นพราะเขายิ่งใหญ่มากแต่ว่าธรรมะเทียบกับเราธรรมาว่าพระถ้าบอกว่าโพธิสัตว์ระดับโนนน่ยยังไม่รู้เรงไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นตัวเอง เ, อเป็นโพธิสัตว์หรอกเป็นโพธิสัตว์อย่างที่ยังไม่สามารถบอกตัวเองได้เป็นว่าตัวเองเป็นโพธิสัตว์แม้แต่คานทีก็ตามนะแต่มาโพธิสัตว์ระดับพ่อท่านเนี่ยเป็นระดับที่แต่ว่าท่านก็เคยบอกว่าเป็นระดับที่จะมีมี มีภูมิตัดสรนูก ข, ของตัวเองที่จะสามารถบอกตัวเองได้นะถางั้นถ้าเรามาเทียบดูว่าเราเราก็จะได้เจอคันทีก็ดีเจอไอสไตล์ก็ดีเป็นเรื่องที่ยากมากนะแต่จะเรามาเจอพระโพธิสัตว์ในระดับที่ให่กว่าเนี่ยก็จะเป็นบุญของชีวิตของเรามากเป็นแต่เพียงอนมามัยอย่างที่บอกเราว่าอนมามัไปไปลาภาคใต้เนี่ยคนเขาเจอเพราะท่านปีหนึ่งครั้งเดียวเขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมจะได้เจอมากกว่านี้แต่พวกเรานี่ เพราะท่านบอกว่าจะเจอพวกเราทุกวันจนพวกเราจะกลัวอะไรหรือฝ่าไปรู้นะแต่ว่าคือเห็นว่าเป็นลาบของเราเป็นโชคดีของเรานะที่เราได้มาได้มาพบท่านอย่างั้นทำยังไงที่เราจะใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดอันมาอยากจะฝากประเด็นหนึ่งนะท่านเตือนพวกเราที่เป็นคนนักทำงานเนี่ย พวกเราที่ทำงานเนี่ยจะมีทุกอย่างหนึ่งว่าพอไปเห็นคนอื่นเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไม่ได้ทำอย่างดีเราคิดนะเราก็จะไปยึดเราจะไปยึดเราก็จะรู้สึกเราก็จะรู้สึกทุกข์ทไมคนนี้เป็นอย่างนี้ทำไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นอะไรเนี่ยอันเนี้ยพระท่านบอกว่าอย่าไปต้องเข้าใจเขาให้ได้ว่าเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคนนี้เขาก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่าไปให้เขามาเป็นอย่างเรา แต่มารู้สึกว่าคำสอนของพระท่านบทนี้เนี่ยเป็นบทเตือนใจตั้งรต่พวกเราที่เป็นนักทำงานนะตอนนี้ยุคฟุตบอลโลกเนี่ยเขาถือว่าการล้าเส้นเนี่ยเป็นการฟาวทันทีอย่างนั้นถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะต้องระวังไม่ล้าเส้นนะล้าเส้นก็คือว่าเอ๊ะทาไมเขาพูดอย่างนี้อะ่ะเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้อะ่ะนะเอ๊ะทำไมเขาเป็นอย่างี้ล่ะ ถ้าเริ่มคิดอย่างเงี้ยให้รู้ว่ากําลังล้ําเส้นแล้วนะกําลังทุกข์แล้วกําลังจะเอาทุกข์มาเข้ามาหาตัวเองอย่างนั้นตรงเนี้ยต้องถือว่าเป็นเส้นสาคัญเลยว่าแต่ละคนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะแต่ถ้าที่ดูรู้สึกว่าจอมยุดจอมยุติกันอย่างนั้นแหละจอมยุตจอมยึ ด, ม, ย ด, ม, ยดมาอยู่รวมกันเนี่ยต้องระวังนะกรรมาการต้องคอยดูว่าเริ่มจะล้ําเส้นหรือเปล่าถ้าเริ่มจะล้ําเส้นเนี่ยก็คือเราเริ่มที่จะไปเอ๊ะเอ๊ะโอ อะไรเงี้นะแต่มันไม่ใช่โอ้มาหาเรานะโอ้ o, ไปหาเขาเนะียถ้าโอ้ไปหาเขาเมื่อไหร่เนี่ยเอ๊ไปหาเขาเมื่อไหร่เนี่ยกลรู้แล้วว่าเราล้าเส้นแล้วนะต้องเอ๊เข้ามาพอปุ๊บเนี่ยเริ่มรู้สึกทุเลศเนี่ยต้องมองให้เห็นแล้วว่าไอ้ความทุเล็ดเนี่ยอยู่ในใจเราความทุเลเ็ดไม่ได้อยู่ที่เขานะี่รู้สึกเกลียดเนี่ยต้องเห็นแล้วว่าเกลียดเนี่ยอยู่ในใจเรา ้เราจัดการล้างความเกลียดของเราเนี่ยก็เป็นฌานถ้าจะไปล้างความเกลียดของเขาเนี่ยเป็นอะไรเป็นชาปนากิจนะเรากำลังจะถูกเขาเนะแต่ถ้าเข้ามาล้างความเกลียดล้างความทุเลิที่อยู่ในใจเราเนี่ยอันนี้ถึงจะเป็นฌานเป็นการปฏิบัติธรรมนะมีวิธีง่ายๆเมื่อไหรที่ล้าเส้นนะอดมารําลังจะตั้งชมลมล้างซ่วมนะ ก็เขาเชิญไปล้างส้วมด้วยกันอธมาคิดว่าจะพยายามนะอาทิตย์นึงก็เจ็ดวันจะพยายามล้างส้วมให้ได้มากกว่าครึ่งหนึงของเจวันกันแล้วกันนะจะเป็นข้อข้อตั้งใจอย่างหนึ่งที่คิดว่าอยากแก้จุกชนแล้วน่ส้วมสะอาดงั้นจะสะอาดได้เราต้องล้างก่อนพอจะมาล้างแล้วจะมาจะได้มาบนได้เราส้วมไหนจะ ไ, ไม่ไม่สะอาดงั้นก็เป็นข้อบําเพ็ญที่แต่ละคนก็จะแล้วแต่จะหาให้กับตัวเอง ได้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะแต่ละวันนี้คิดว่าได้ใช้เวลามาพอสมควรแก่กาลแล้วก็ขอยุติการเวียนธรนะในพรรษาพิเศษปี80สิปีไม่มีแก่ของพ่อครูนะเอาไปแต่เพียตงตอนนี้ขอจะเดินทรรม